เอาวันนี้เดี๋ยวสนทนากันต่อ <c oughs> พระพุทธเจ้าได้ตัดสรูุ้นุตตะสัมมาสัมพุียาคําว่าตัดสรู้เนี่ยที่เรียกว่ารู้แล้วตัดสรู้แล้วเนี่ยสัมมาสัมพุทธะนี่ก็เลยตัดสรู้โดยชอบสัมพุทธะก็คือตัดสรูสธธสร้เองอภิสมมยะก็ความถึงพร้อมเฉพาะ พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้แจ้งแทงตลอดภาษาพะะญายานก็คือมุ่งไปที่พยานเป็นเครื่องรู้ธรรมะทั้งปวงเมื่อวานก็พูดถึงในเรื่องของภาษาราบุตรท่านาพราพุทสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่จะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดที่ห้องนอนของท่านก่อนที่ท่านจะไปท่านก็ได้แสดงธรรมพร้อมทั้งอภินิหารหลากหลายที่ทรงได้มาจากพระพุทธเจ้า ก็แปลว่าภาษารีบุตรเนี่ยท่านรับมรดกจากพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพเจ้าใช่ไหมฉะนั้นการที่เราทั้งหลายได้เป็นนักบวชเนี่ยมีสองส่วนนะเราจะอยู่ในฐานะเป็นอมิสธาญาตหรือธรรมทาญาตถถ้าเป็นอมิสธาญาตก็คือนี่แหละ อาวิ MICH ทั้งหลายที่พระเจ้าเกิดด้วยเดชบุญของพระเจ้าด้วยทำมากก็เกิดขึ้นด้วยเดชบุญของพระสัมม า, ศ า, ศ า, ศาสมัมพุทธเจ้าเราเข้ามาเราก็ได้ที่อยู่อาศัยเนี่ยนี่อันนี้เป็นสมบัติของพระเจ้าเราก็ได้เครื่องนุ่งห่มอันนี้ก็สมบัติของพระเจ้าได้อาหารนี่ก็เป็นสมบัติของพระเจ้าได้ยาที่เราเจ็บป่วยเนี่ยปัจใจสี่เนี่ยอันนี้เรียกปัจจยามิตรอันนี้เป็น ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงอนุเคราะห์พวกเราพวกเราเวลาเข้ามาอยู่อาศัยในพระศาสนาก็ไม่ต้องกังวลพระเจ้าดูแลเราได้ในเรื่องที่อยู่อาหารยาและก็เครื่องนึ่งหม่มใช่ไหมแต่คนบางคนเนี่ยมาเพื่อแค่ตรงเนี้ได้มารับอามิตรได้ที่อยู่ก็พอใจแค่นี้พอแล้วได้เครื่องนุ่งห่มก็พอใจแล้วได้อาหารก็พอใจที่กินไปแต่ละวันแต่ละวัน ได้ยาเวลาเจ็บป่วยก็พอใจลักษณะนี้มาต้องการเสพอมิตรอย่างเดียวอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกก็เป็นพวกอมิตรสถายาตพระเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าเป็นอมิตรสถายาตของเราเลยขอเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาตของเราเถิดเออธรรมทายาตก็หมายความว่าให้รับมรดกแห่งธรรมะมรดกคือพระธรรมที่เราควรจับรับจากพระเจ้าก็คือว่า จงรับศีลสมาธิปัญญาหรือเบื้องต้นที่เป็นโลกิยาเนี่ยเอามาฝึกเอามาเจริญเอามาพัฒนากระแสชีวิตตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่มีศีลการเลี้ยงชีพที่มีมีศีลก็ออกตัวกุศลศีลว่าเป็นทางดําเนินในการทํากระแสชีวิตนั้ น, นให้งดงามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเป็นปัจจัยต่อปราโมทย์ปีติปสสทธิสุขนะสมานัท แล้วก็จงเอาสมาธิที่พระเจ้าทรงประทานให้เนี่แหละเป็นธรรมบาระดกเนี่ยเอามาเจอเอามาฝึกทําให้มีให้เกิดขึ้นเอากรรมาฐานที่พระองค์ให้มาทั้งหมดเนี่ยเอามาเจริญฝึกฝึกให้เกิดความเพียรฝึกให้เกิดสติฝึกให้เกิดสมาธินี่คือเป็นสมาธิสิกขาก็ได้สมาธิเป็นไปตามลําดับตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้ น, นจนถึงอรูปฌานสุดท้ายเอาล้ขั้นตอนต่อไปก็คือด้านปัญญานะ่ไหม แล้วก็ต้องมาฟังเก็บเกี่ยวข้อมูลเพื่อจะได้เอาข้อมูลอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการที่จะให้ปัญญามาฟันมาตรวจสอบมาวิจัยมาแยกแยะเออจะได้เป็นปัจจัยต่อปัญญาเนี่ศีล ส, สมาธิปัญญาที่เป็นธรรมามรดกนี้แหละพระเจ้าพราถนะให้เราเข้าถึงตรงนี้ฉะนั้นไม่ใช่มาติดอยู่แค่ที่ยู่อาศัยเครื่องดูโหมยาและอาหารแต่จงเอาปัจจัย4ี่เนี่ยเป็นแค่ปัจจัยเป็นตัวเกื้อหนุนที่จะทําให้เรานั้นพัฒนาเป็นสู่ศีล พัฒนาไปสู่สมาธิและปัญญาทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภับูญยิ่งยิ่งขึ้นไปจากโลกิยาศีลก็เป็นโลกุตระศีลจากโลกิยาสมาธิาาา ก, ก็ปญญ เ, เป็นโลกุตระ ส, สมาธิจากโลกิยะปัญญาก็เป็นโลกุตระปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาที่เป็นโลกิยะก็พัฒนาไปถึงศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกุตระก็จะสามารถกําจัดกิเลสและกองทุกได้นี่นะเออในวัตถุประสงค์เนี่ยภาษาลิบุตรทันได้แล้ว ใช่ไหมท่านได้อะไรท่านได้มะระดกท่านได้มะระดกคืออาวมิตรนั้นท่านก็เป็นแค่ปัจจัยเกิดหนุนอ่าเล่ายกตัวอย่างหน่อยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านภาษารีบุตท่านปวดท้องใช่ไหมเป็นโรคปวดท้องนะตอนเป็นคารวะพระโมคคัลลานะก็ถามว่าสนนานากับพระโมคคัลลานะว่าพูดบอกว่าท่านผู้เจริญ ตอนที่ท่านเป็นคารวาเนี่ยอาการปวดท้องนี่ท่านหายได้ด้วยอะไรเอเอาภาษารี่บทก็เล่าให้ฟังว่าตอนเป็นคารวาสโยมมานดาเนี่ยทําอาหารเหมือนข้าวยาคูเนี่ยเป็นเหมือนข้าวต้มมีส่วนผสมอย่างเงืนเออพอบริพ่อเข้าไปแล้วอาการปวดท้องหายเลยว่าเงื่อ น, นก็เล่าให้พระเทเรซ์ฟังพระเทเรซก็เลยบอกว่าเออถ้าวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นบุญของท่านเนี่ยท่านคงจะได้อาหารประเหตุนี้ตื่นเช้ามา ภาษาพุทธออกบินบาดไม่ไหวเพราะป่วยใช่ไหมท่านก็เป็นบิน บ, บาทเพระโมฆรานระไปบินพราไปบินโอ้โหชาวบ้านเอาอาหารประเภท น, นี้มาใส่กันเต็มบาทเลยว่างั้นเถอะท่านได้อาหารมาเสร็จสรก็รีบกลับมาเลยเอามาถวายภาษาบุตรพอภาษาบุทธเห็นปุ๊บท่านเอใจแล้วอ ύ, ได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมได้ผิดปกติเนี่ยทําไมชาวบ้านพากันมาใส่กันเยอะแยะขนาดนั้น ท่านก็ใช้ยานอย่างรู้พิจารณาดีพิจารณาพท่านมีปัญญาท่านมีอภิญญาพวก น, นี้โอ้รู้เลยเทวดาเพราเทวดาได้ยินที่พระเถพราสนานากันเทวดาไปเข้าสิงไปเข้าสิงชาวบ้านเลยพอไปเข้าสิงชาวบ้านแล้วก็บอกว่าจงเอาอาหารประเภทนี้ไปใส่นะถ้างั้นจะทําลายออกเทวดาคโธพระเถทพราวรู้อย่างนั้นปฏิเสธปฏิเสธทันทีเลยบอกว่า คือปล่อยให้ตายดีกว่าที่จะเอาอาหารที่ได้มาโดยการขู่กันโชคชาวบ้านมาแบบเนี้ด้วยการได้มาไม่ชอบเนี่ยไม่ใส่ในปากเราลงสู่กระเพาะเราให้ตายไปดีกว่าท่านก็มั่นคงในศีลท่านเชื่อไหมโลกภัยแค่เจ็บหายเลยเนี่ยเห็นไหมผู้ที่ตั้งมั่นในธรร ม, มระภาษาพุทธที่ไม่ธรรมดาเนะียท่านขนาดนั้นเลยแต่ถ้าภาษารพุทธเป็นคนที่มีกระตันยูรู้คนกระตเวทีสูงมากมีอยู่ข้างหนึ่งใช่ไหม มีตัาพามคนหนึ่งแก่แล้วเมียทิ้งให้คนมงคลไปได้เมียแล้วตอนนั้นก็รวยพอหลังจะแก่แล้วทําอะไรไม่ได้เมียก็ไล่ออกจากบ้านไม่มีที่ไปก็มาอยู่วัดเออชื่อราธาพามเนี่ยพออยู่ที่วัดเมียก็แต่เป็นคนมีอัธยาศัยอา ย, อยุแก่มากแล้วมีวันหนึ่งพระเจ้าจประชุมภิกษุสงฆ์ก็ถามว่ามีท่านผู้ใดรู้เห็นอุปการะคุณของท่านลาภาพระราธ า, าพามผู้เท่านี้บ้าง ภาษาดีบุตรก็ถวายรายงานว่าข้าพงศ์เลื่ลึกได้พระเจ้าข้าเลื่อลึกได้อย่างไรบอกโอโ้โหประมาณเกือบสามสิสี่สิปีแล้วพวกนั้น เ, เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วข้าพงศ์เคยไปบิณฑบาตเนี่ยที่กรุงราชครื้เนี่ยไอ้ตาพราหม์เนี่ยเคยใส่ข้าวให้ข้าพงศ์หนึ่งทัพพีเนี่ยใส่ข้าวใหหนึ่งทัพพีจําได้เลยอ่ ะ, อะถามหน่อยพวกเราเนี่ยเราไปบิณฑ์ตั้งแต่บวชมาในบิณฑบาตเจําหน้าโ ย, ยมที่ใส่บาตรได้บ้างไหม ว่าใครใส่ในบาทให้เราใส่บาทให้เราได้ทาเครื่องหมายจําไว้ไหมว่าท่านผู้นี้มีอุปการะคุณแก่เราได้คิดแบบนี้ไหมเห็นไหมเนี่ยภาษาที่บุตรท่านจําไว้หมดใครที่ใส่าอาหารใี่ท่านกินบริโภคเนี่ยใครที่ถวายอาหารถวายเครื่องนุ่งห่มถวายยาถวายเสนาสนะท่านจําไว้ไว้หมดเลยใครก็แล้วแต่ที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตท่านน่ยท่านมาร์กจําได้หมดเลยท่านก็จะรู้ว่าเออเราจะตอบแทนคุณของท่านผู้นี้ได้อย่างไร อันดับแรกการตอบแทนคนก็คือเราจะทําศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยาทัทนสลายเกิดขึ้นนี่แหละเมื่อท่านให้ทานแก่ผู้มีศีลแล้วเขาจะมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้านี่คิดว่าตอบแทนนะแต่ถ้าใครเป็นผู้ทุศีลไม่เป็นสัิญญาปฏิญญาณตัวเองเขเป็นสมมนาไม่เป็นภิกษุไม่เป็นสัมมเนยปฏิญญาณตัวเองเขเป็นสัมมเนยเป็นผู้ทุศีลเน่าในเปียกแฉกเป็นคนอยู่ด้วยกายทุตจริตรู้จีตุจริตรโนทุจริต อยู่ด้วยความหมักหมม ด, ด้วยบาปกุศลธรรมมันชั่วร้ายเนี่ยรับอาหารของชาวบ้านมาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าชื่อว่าไม่ตอบแทนคนของชาวบ้านเขาทําให้ผลทานกุศลของชาวบ้านเขาเน่ะต่ำต้อยเลยเนยถ้าเขาไปให้พิกษุรูปอื่นๆที่เขามีศีลสมาธิปัญญามากๆเขาก็จะได้บุญเยอะใช่ไหมด้านมาให้กับพวกเราที่เป็นคนทุ่มศีลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างนี้เขาก็สะดุ้งสะเทือนก็รีบชําระศีลตัวเดงให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วอะารอย่งเงี้เพราะเขาเป็นแบบนี้ม嘛 แชมเป็นไหมมันรักษาตัวเองให้ดียอมก็ใส่บาทมาเขาจะได้บุญได้กุศลเยอะๆก็อย่างนี้ได้ปะยอมที่ก็ถวายยามาเนี่ยเรากินยาแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะได้ได้กุศลเพราะเราเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเราเป็นผู้ฝึกฝนตนเองศึกษาเราเรียนว่าทำด้วยความเคารพฟังก็ฟังด้วยความเคารพเข้าใจครับเข้ามาฟังด้วยความเคารพไหมฟังด้วยความนอบน้อมด้วยความเชื่อมัน่น ทรงจำด้วยความเคารพพยายามจำด้วยความเคารพนี่นะด้วยจิตที่ผองใสเรียนทำด้วยความเคารพฟังทำด้วยความเคารพทรงจำด้วยความเคารพแล้วก็ไปสาธยายด้วยความเคารพไม่เล่นไม่กะนองอิทิพิโสภะควาอารังสัมมาสัมพุทธโธวิ ช, ชาจจ น, นะเนี่ฟังเคารพนั่งก็นั่งด้วยความเคารพไม่นั่งกับมือเท้าคางนี่เป็นต้นเห็นไหมไม่นั่งหงิดหงอกไม่ทําจิตฟุ้งซ่านไปฟุ้งซ่านมาหงุดหงิดไปเนี่นี่ก็เรียกฟังทำด้วยจิตแข็งกระด้าง ถ้าฟังไปง่วงไปก็ไม่เคารพฟังแล้วฟุ้งซ่านก็ไม่เคารพฟังแล้วสรงจิตไปทางอื่นก็เรียกไม่ฟังด้วยไม่เคารพล้วเป็นแบบนี้ไหมฟังด้วยความเคารพหรือฟังด้วยด้วยเคารพเคารับหรือไม่เคารพบอมป์ะเคารับไหมฟังด้วยความเคารพด้ือว่าเคารับหรือไม่เคารพเป็นสองอย่างอ่าเป็นฟังทําโดยไม่เคารพจะไม่บรรลุธรร จไม่ เ, เห็นให้ไม่รู้ทำเนี่ยฟังไปก็นิ้วเขี่ยพื้นไปบ้างแกะเกาเล็บไปบ้างเนี่ยไม่เคารพเอเขาต้องตั้งใจฟังจริงๆรเขาจอย่างนี่ลักษณะอย่างนี้พังนั้นรเจ้าก็ยกย่องภาษ า, ษารีบุตรว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวาที่สา ม, มารถแสดงพระธรรมจักให้เป็นไปอันยอดเยี่ยม ประดุดดังพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงทาให้เป็นไปแล้วขนาดนั้นในยกย่องภาษารีบุตรเมื่อวานนี้ถึงตอนไหนเมื่อวานนี้ก็ถึงตอนที่ภาษารีบุตรได้กล่าวว่าออข้าแต่พระผู้มีประภาคเลยไปจากนี้ก็หนึ่งสงไขกกำไรแสนกับ ตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพระองค์มอบลงที่ใกล้กพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาเห็นพระองค์ความปรารถนาของข้าพระองค์นั้นสําเร็จแล้วข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วเป็นการเห็นครั้งแรกและตอนนี้ก็เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายการได้เห็นพระองค์ไม่ได้มีอีกแล้วดังนี้เป็นต้น ก็ประคองอัญชรีก็คือในประนมมืออย่างนี้นะซึ่งรุ่งเรืองด้วยการประชุมแห่งนิ้วทั้งสิหันหน้าเฉพาะตราบเท่าที่จะเห็นได้แล้วก็ถอยกลับแล้วถวายบังคมถอยหลังมองพระพักมองพระรูปของพระพุทธเจ้าเรื่อยพระพุทธเจ้าก็ยืนตั้งนานอยูอย่แล้วก็ถอยหลังถอยถอยถอยถอ ย, ถอยเรื่อยๆพ อ, อสิ้นสายพระเนตรของพระพุทธเจ้าแล้วก็หันหลังกลับ พระพุทธเจ้ากระตัด ก, กับภิกษุที่ยืนแวดล้อมว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงติดตามพี่ชายของเธอเถิดข้าก็ให้ไปส่งขณะนั้นบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีบาศกและบวศิกาเนี่ยละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้พระองค์เดียวในเชตะวันออกไปไม่เหลือเลยตามภาษาริบุตไปนี่ขบวนใหญ่เลยนเนี่ยตามตาม ฝ่ายชาวนครสาวถีก็พากันพูดกันว่าข่าวว่าพระสารีบุตรเถระเนี่ยทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประสงค์จะรปนิพพาน อ, ออกไปแล้วเนี่ยพวกเราจะไปเยี่ยมท่านอู๋มากันเต็มเลยพากันถือเอาของหอมพวงมาลัยเป็นต้นออกไปจนแน่นประตูเมืองแล้วก็สยายผมร้องไห้ข่ำครวนโดยในเป็นต้นโนบัตินี้พวกเรามาเพื่อถามว่าท่านผู้มีปัญญามานั่งณนะที่ไหน พระธรรมเสนาบดีนั่งอยู่ที่ไหนดังนี้จะไปสํานักของใครก็หมายความว่าแต่ก่อนเวลาถามว่าภาษาริบุตรประทับที่นั่งอยู่ที่ไหนเราจะไปหาเนี่ยก็มีคนบอกว่าโอ้อยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วต่อแต่นี้ไปเนี่ยว่าข้าพระองค์มีปัญหาชีวิตเนี่ยเวลาจะไปหาท่านเนี่ยจะไม่มีโอกาสเจอท่านแล้วพอคิดกันอย่างนี้ก็พากันสยายผมร้องไห้ ค, คําครวญเนี่ยนะทุกใจเห็นไหมว่าครูอ่ะดุดเหมือนครูตัวนเองจะตายอาว่างงี้เลย ว่าทางนี้คนทั้งหมดไม่ควรก้าวพอไปได้สักพักหนึ่งพระเถระความที่ดำรงอยู่ด้วยปัญญามากก็คิดว่าทางนี้คนทั้งหมดไม่ควรจะก้าวเลยมาก็เลยโอวาทมหาชนว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้พวกท่านจงหยุดอย่าถึงความประมาทในพระทศพลเลยพระทศพลนี่หมายถึงพระพุทธเจ้านี่นะผู้มีพยานสิบประการนะี่แล้วก็บอกว่าให้หมู่ภิกษุนั้นกลับบอกว่าการ อยู่ห่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ดีเลยว่าไงนะทันยะละเลยพระผู้มีพภาคเจ้าเถอะแล้วก็หลีกไปพร้อมบริษัทของตนมนุษย์เหล่านั้นก็ต่างก็ข้ามควรเหมือนครั้งก่อนพระผู้เป็นเจ้าก็เที่ยวจาริกไปแล้วก็กลับมาแบบนี้การไปนี้เป็นการไปเพื่อไม่กลับมาจึงพากันติดตามอยู่อย่างนั้นน่ะพระเถระก็เลยบอกว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่าสังขารทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายมีความแปลบวนไปอย่างนี้สังขารทั้งหลายมีความดับไปเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นธรรมดาของโลกและชีวิตท่านอย่างทั้งหลายอย่าไปอาลัยอาวรณ์อย่างนั้นอย่างนั้ น, น, นเดิมแล้วก็กลับแล้วครั้นแล้วท่านภาษาริบุตรก็ทำการส่งคราะพวกมนุษย์ตลอด7วันในระหว่างเดินทางมาในระหว่าง7วันเนี่ยพาส่งเคราะ เจ้ที่เนี่ยเดินทางจากสาวัตถีไปที่นารันทานเนี่ยเดินอย่างเร็วนะใช้เวลาเดินเจดวันแล้วก็พักข้างราไปไปที่ระคืนที่ระคืนเนี่ยเป็นไปอย่างนั้นเลยคันแล้วก็ไปถึงนารกะนารันทานในเวลาเย็นได้ยืนที่โคนต้นไม้นิโครธก็คือต้นสายใกล้ประตูบ้านคันแล้วหลานของพระเถเะซี่ชื่ออุปเรวตัตะ ไปนอกบ้านเห็นพระเถระแล้วก็เข้าไปไหว้แล้วยืนอยู่พระเถระก็กล่าวบอกว่ายายของเธออยู่ในเรือนหรือ <c oughs> หลานก็บอกว่าอยู่ครับดังนั้นท่านผู้เจริญภาษาริบบอตเธอจงไปบอกว่าเรามาที่นี่เมื่อยายกล่าวว่ามาเพราะเหตุอะไรจงกล่าวว่าขาวว่าในวันนี้พระเถระจะอยู่ในบ้านตลอดวันหนึ่งยายจงจัดแจงห้องที่พระเถระเกิด และข่าวว่ายายจงรู้ที่เป็นที่อยู่ของภิกษุอีกห้าร้อยูปด้วยว่างั้นเดอนายก็บอกว่าหลานก็เลยไปบอกยายยายลุงผมมาแล้วยายก็บอกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประตูบ้านมีใครมาด้วยบอกว่ามีภิกษุตามมาด้วยห้าร้อยรูปยายก็ถามว่ายายก็บอกามามาทาไมเขาบอกโอ้ต้องการมาพักที่ห้องที่เคยเกิดนึ่งขึ้น นางพรามณีก็คิดว่าลูกชายของเราเนี่ยทำไมจึงให้เตรียมที่อยู่แก่พิกษุเท่านั้นท่านบวชมาตั้งแต่หนุ่มตอนแก่คงอยากจะศึกทื่จมาก็คือใค ร, ท, ร, ท, ใครที่นาลันทายังไงไปยังที่นาลันทาเนี่ยต้องติดหมา อ, อะไรนาลันทานมี ประสาทของท่านภาษาลิบุตยังใหญ่เลยครับทุกวันนี้เป็นเนินอิฐเนะื้อขนาดใหญ่เป็นเนินขนาดใหญ่สูงมากคือท่านเป็นคนมีทรัพย์มากเกิดในตระกูลสูงแล้วท่านออกบวบบ้านเนี่ยท่านเนี่ยสามารถบรรจุพ้ะได้ห้าร้อยลูกถือว่าใหญ่ั้มใหญ่มาก ไม่ใช่เล็กๆใหญ่มากแล้วก็บอกว่าแม่ก็นึกว่าจะแกษึกเนี่ยก็ให้จัดแจงห้องคลอดทำให้เป็นที่พักของภิกษุและห้องนั้ น, นห้องที่คลอดเนี่ยพระสามารถไปรวมกันได้ห้าร้อยรูดเป็นห้องทงขนาดนั้ น, นแล้วก็จุดเทียนตะเกียงส่งไปถวายพระเถระในฝ่ายแม่พระเถระพร้อมด้วยภิกษุสงขึ้นปราสาทไปยังห้องคลอด พอนั่งลงแล้วก็ส่งภิกษุไปว่าพวกท่านจงไปพักผ่อนกันเถิดพอภิกษุไปแล้วเท่านั้นแหละอาพาธย่างแรงกล้าก็เกิดกับระเถร่าเวทนาปางตายอ่ะถ่ายถ่ายออกมาเป็นโลหิตโลหิตคืออะไรครับเลือดต้องถ่ายจะลากออกมาเป็นเลือดเลยถ่ายเลือดไหลไหลออกแล้วอ้วกไปเลือดด้วยหนักไหมเขาก็โถน ล, ลอง เลือดสดๆเป็นเลือดเลยเวทนาปางตายเกิดขึ้นเห็นไหมท่านทนไหมเดินมาด้วยความทนอภาชนะหนึ่งรองสลับพาชนะนี่นางพราหมณีเกาะประตูเห็นลูกเป็นอย่างนั้นเราไม่ชอบใจความเป็นไปบุตรของเราเลยร้องไห้อยู่เนี่ยร้องไห้อยู่ตอนนั้นมืดแล้วพอสักพักหนึ่งมืด น, นางก็ไม่กล้าเข้าไปก็คอยคอยอยู่ตรงประตูนี่พระเทเรลาก็ นอนอยู่เออตอนนั้นตอนนั้นนั่งอยู่นั่งค่ะสักพักนึงเท้าจาตตวหมหาราทเท้าเวสวรรณเท้าวินห บ, บเป็นตัวอะนี่ยนะี่พระเจ้าปีติในสวรรค์ชั้นจาตตุพร้อมได้บริวารมาเออือพระเทพรัตนิพานวันนี้แล้วเราต้องไปเฝ้าหนอยมากันแสงสว่างเต็มนี้เข้าไป พอเข้าไปเบ็ดเบ็ดก็บนเตียงที่พระเทพราชนจะนิพพานในห้องที่ตนเองคลอด น, นี่ยพระสารีบุถามว่าพวกท่านเป็นใครท้ามหาราชก็ถามว่ามหาราชก็รับก็ผมเป็นไมเจ้าเป็นดินอยู่ในชั้นจาตัวมหาราชิกาอยู่ในที่ทั้งสี่พระสารีบุถามว่ามาเหตุอะไรบอกจะมาขอบำรุงท่านมาดูแลอุปถาก จะมาขอเอาเนี่ยเอาเลือดเอาอุจจาระของท่านเนี่ยไปทิ้งแล้วคอยมานวดฟันมาดูแลภาษาบุยเราช่างเถิดผู้บำรุงเราผู้เป็นไข้มีอยู่พวกท่านอยู่ไปเถอะไอ้ขาดเทวดามาันบอกไปไปไปเอาไมเถอะเอาไปมีคนดูแลเราอยู่เทวดาเหลือกบมากราบมากราบก็ไปทักสินทําความก็ร่ แล้วก็หายว บ, บไปสักพักหนึ่งเท้าสักกาพร้อมด้วยบริวารมาแล้วอ้ยแสงสว่างมากกว่าเดิมเยอะทีฟุ๊บโอ้โหแม่ก็เห็นอยู่ตลอดใช่ไหมแม่ก็เห็นอยู่ตลอดแสงสว่างรุ่งเรืองเต็ไมไปหมดมาปนอมมือถาม้าจารยถามใครบอกอ่าผมเท้าสักกมหาราช เจ้าไปดินในสวรรค์ชั้นกาตุมหัลลิชิาเออชั้นชั้นเดาดึงออกมาทําไมมาอุปถากพระเถหละขออุปทาในญาติบางแห่งบอกว่าพระเถหละเนี่ยเทา้าสกาวเนี่ยขนาดใช้อุจจฉะพระเถหละเลือดเนี่ยทูลศีรษะเ อ, อกไปเทให้เลยเนะบางในญาติพูดขนาดนั้นต้องคิดตัวเทวดาในปกติเบ็นมนุษย์มากเลยออืเด่นไหมเนี่ยยิ่งใหญ่ไหม เนี่ยเห็นไหมสาวกรู้ได้เจ้านะเนี่ยไม่ใช่ผู้ได้เจ้านะเนี่ยระดับสาวกนะเทวดายังขนาดนี้เนี่ยพระเถระก็บอกว่าไปเถอะบอกงั้นบอกว่าเราเรามีคนดูแลแล้วมีมีพระภิกษุคอยดูแลมีคนที่ดูแลไม่ต้องเป็นไม่ต้องรรบกวนท่านเทวดาก็มาทําประทักษิณไหว้ไหว้ฟุบขายไป โห و, ทีนี้มาครั้งที่สามดีดีเท้ทททามหาพรหมมาเองเลยตอนนี้โอ้โ ห, โ ห, โหสว่างทั่วนาลันทายทั่วทั่วมมคตเลยแฟนเมคต ร, ระดับเจ้าพ่อมาแล้วตอนนี้ทีนี้แม่แม่ของภาษาริบุตรเนี่ยนับถือนับถือเท้ามหาพรหมมาเห็นปุ๊บโอ้โหตกตะลึงเลยตาค้างเลยอูยงามมา ยิ่งใหญ่มากถท้ามหาพรหมมาพาษสารีวถามว่าใคร <c oughs> ผมเท้ามหาพรหมอยู่ในพรห ม, มโลกเป็นผู้เป็นใหญ่ในพรห ม, มโลกมาทำไม <c oughs> <c oughs> บอกว่ามาขออุปถากะเทระจะมาคอยนวดฟันคอยเอาอุจจาระไปทิ้งปัสสาวะไปทิ้งคอยบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอาตมามี ถ้าดูแลเนียนดูแลแล้วเชิญกลับไปได้ถ้ามาผมก็มากราบกราบเสร็จก็ทำประทักสินกราบีนที่ทั้งสี่เวียนสามรอบทุกหายไปเลยพอสักพักแม่ก็คน๊ดามถามว่าลูกลูกทำไมยอแม่ <c oughs> ไปถามหน่อยถามเรื่องอะไรเอาเมื่อตอนหัวค่ำอะมีมีมืมอแสงสว่างแล้วก็มี มีใครมาหาหาลกูกอ่ะสี่องค์อ่ะอ๋อเท้าจ่าตุมหาราชโอ้โ ห, โโหโลูกนี้ใหญ่กว่าเท้าจ่าตุมหาราชเหมือนเด็กวัดในยงแม่เหมือนเด็กวัดในวันที่พระบรมศาสดาประสูตรเนี่ยเท้าจาตุมหาราชทั้งสก็คอยอลักขาเพรันเดคอยอลักขาพวงกันอันตรายวันเกิดของพระศาสดาตอนพระศาสดาเกิดมาเพงั้นเด็โอ้โหโลูกนี้ ลูกนี่ใหญ่กว่าเท้าจาตัวหมาล่านะเอาแล้วพอสักพักนึงอะที่แสงสว่างมากกว่า น, นั้นอะแล้วใครนั่นนะบอกันนะอ๋อเท้าส ก, กะอาพระเจ้าเป็นดิ้งอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงโอ้โหลกูกยังใหญ่กว่าเท้าส ก, กะอีกเลยโอ้วันที่พรบรมศาสดาประสูตรนี่ก็คอยมาลักขาเหมือนกันเท้าส ก, ก่เหมือนเนนเหมือนสมบันเนนคอยรับใช้นี่แล้วงัน้นโอ้โหเท้าส ก, กะเหมือนสมบันเนเน เ, นเนองอเอ แล้วต่อมาที่ก็เลยพูดต่อไปเอาแล้วเมื่อสักครู่นี่แล้วใครตอนนั้นใกล้ยิบใกล้ยิบที่ว่ามีตอนมาตอนทีหนึ่งที่สองนี่ใครอ๋อก็พระเจ้าเขาแม่ไงที่แม่นับถืออะนั่นแหละพระพรหมโอ้โหเพิ่งลูกนี่ยิ่งใหญ่กว่าพระเขาแม่อีกเลยโอ้หมุกไม่มีอะไรพระพรหมไม่มีอะไรเลยว่าไง ยมวัดดีๆนี่แหละว่างั้นเนี่ตอนที่พระบรมศาสตรสาจะแสดงธรรมก็เท้ามหาพรหมนี่แหละพระราชนายแสดงธรรมเหมือนยมวัดอาลาดนายพระเทพโอ้โหตกใจไหมโอ้โหเนี่ยขนาดลูกเรายังยิ่งใหญ่ขนาดนี้พระศาสดาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอุสัทธาย่างเกิดที่ยงโอ้หศรัทธาในขนาดลูกเราเนั้นใหญ่กว่าเท้าจารุมหาราชยิ่งใหญ่กว่าเท้าตา ก, กายิ่งใหญ่กว่าเท้ามหาพรหม แล้วพระบระมาศาสดาของรูกจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนาแล้วจิตมาหมดพิติภาษาลิบุตรเข้า อ, อภิญญาดูดูกระแสาจิตของโยมแม่เนตอนนั้นเน่ยโอ้แม่กําลังศรัทธาแล้วท่านแสดงพุทธคุณเลยอิติปิโสพระกราแม้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพราะองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลเจากกิเรตแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา 8. จารณาสิเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมระตนะพระรูมาศาสดาทรงแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงแสดงธรรมที่ถึงพร้อมได้อัตถาและพยัญชนะบริบูรบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนไล่ไปตามเราโอ้ใจแม่เกิดปาโมดพิธีแล้วก็จบลงด้วยอริยสัจบรรลุเลยเป็นพระโสดาบันเลย พอบรรลุเสร็จปุ๊บกราบอกโอ้ยลูกนะทำไมทําไมลูกไม่มาโปวดแม่ทั้งน้ำนนเห็นไหมพอรู้ว่าแม่บรรลุแล้วก็บอกงั้นยมแม่ถอยไปจะสว่างแล้วช่วงนั้นแม่ให้แม่ถอยสักพักนึงก็บอกสัมเนนจุนทะบอกว่าบอกจุนทะบอกว่าเรียกภิกษุสงฆ์มาภิกษุสงฆ์ก็เข้ามาไปชุมในห้องนี้ทั้งหมดได้ห้าร้อยกว่าลูก ท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าจวนสว่างแล้วให้ภิกษุสงมตอนนั้นพระพระจุนท้าก็กประคองประคองให้ท่านนั่งแล้วพระเถระก็เรียกภิกษุมาแล้วก็บอกว่าเมื่อพระมาประชุมกันเสร็จเสร็จท่านก็บอกว่าอาวุโสพวกท่านทั้งหลายเที่ยวไปกับผมตลอดสี่สิบสี่ปี อยูนะ่อยู่ในพระศาสนา44ปีเที่ยวไปกับผมเนี่ยปีกรรมใดที่ผมที่เป็นไปทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีซึ่งพวกท่านไม่ชอบใจขอให้พวกท่านจงอดโทษแก่ผมด้วยถามกืบอบอกกรรมมันใดคือกายกรรมการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาเนะี่ยใดใดที่ท่านไม่ชอบใจนะที่ผมกระทำไปแล้วแล้วท่านไม่ชอบใจขอให้ท่านจงอดโทษให้ผมด้วย ภิกษุเหล่านั้นก็ตอบพร้อมกันะค่ะแต่ท่านผู้จเจริญขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจย่อมไม่มีแก่พวกข้าพเจ้าผูเมละท่านเที่ยวไปบอกว่าที่เที่ยวไปกับท่านสี่สิบสี่ปีเนี่ยไม่เคยเห็นเลยว่าท่านจะทําสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่พอใจไม่เคยเกิดมาดุดเงาเ ง, งาของท่านตลอดการแ่านี้แต่ว่าขอท่านจงอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดก็เลยบอกขอขมาพระเถระ พระเทระก็บอกว่าแม้แม่เราก็ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกไม่ไม่พอใจท่านทั้งหลังพอเบีดเสร็จแล้วก็ท่านก็ให้พระจุนท่านเนี่ยเอาท่านนอนลงแต่แขงด้านขวาท่านก็นอนแต่แขงด้านขวาเหมือนพุทธ้านอนนะะเหมือนเสียใจ น, นอนนอนแต่แขงเสร็จปุ๊บท่านก็เข้าสมาบัติ นะท่านก็ลาก่าวลาเป็นตัวท่านก็บอก ก, ก, ก็เอาชักจีวรปิดปิดหน้าท่านนี่เวลานอนปุ๊บหนึ่ยต่าอาจีวรปิดหน้าตะแคงได้กว่าแล้ท่านก็เข้าสมาบัตดเข้าปฐมฌานทุติยฌานตัธิยฌานเจตุจักรฌานเข้ารูปฌานที่1 2ึ่แล้วก็ย้อนกลับมาเข้ารูปฌานที่สามที่สที่หนึ่งแล้วเข้าเข้าจตุจัรฌานไล่ไปไล่มา ชาตที่4ชาตที่3าชาตที่2งชาตที่หนึ่งกลับเข้าหนึ่งใหม่ทองสาออกจาก4ี่ท่านกปรินิพานพอพอเข้าพอปรินิพานด้วยอนุปอปรินิพานปุ๊บก็เกิดสะเทือนเลื่อนลั่นอุบาสิกาที่วินแม่รีบเรียบคานมาลูกของเราไม่กล่าวอะไรเลยนื่น ลุกขึ้นไปนวดนวดหลังเท้าเพรรู้ว่าปริญิาพานแล้วก็เป่งเสียงอย่างดังหมอบที่เท้าร้องไห้ร้อ ง, องแม่ก็ร้องไห้ร้องบอก็โอ้ยวะแม่ไม่รู้คุณของพ่อแม่ไม่รู้คุณของพ่อเรียกลูกเรียกพ่อเลยเนี่ยแม่ให้เธอแม่ไม่ได้มีโอกาสนี้วนพระมาห้าร้อยรูปพันรูปหมื่นรูปแสนรูปมาทำมาฉันอาหาร พร้อมกับลูกเลยมึงร้องสักพักหนึ่งพัไปให้นางออกไปออกไปก็บอกโอ้โหก็พลานาวโอ้โหเราเรามีศักยภาพเนี่ยเราเราสามารถจะถวายหารเนี่ย พ, พันลูกก็ได้หมื่นลูกก็ได้แสนลูกก็ได้จะถวายวิหารเนี่ยสร้างวิหารเป็นบรรพันแสนแสนก็ได้แต่โอ้โหนี่ไม่ทันแล้วเนท่นองอย่างนั้นเละพอพระเถระปนิพานแบบเท้าสก่ารประชมุม ประชุมเทพที่ทบริษัทประชุมเบ็เสร็จก็ตรัสเรียกวิศณุกรรมเทพประบุมาบอกบอกว่าพระทัพศาสาริบุตรพินธุ์ธแล้วจงเนรมิตเรือนยอด500เรือนต้อนรับแขกอีกห0าเรือนที่มหาอุบาสิกาได้สร้างแล้วรวมกับที่วิศนุกรรมสร้างเบ็ดเสร็จเลยเป็นอย่างละ2000ัอูสร้างเรือนรับรองที่จะจัดงานศพเออมีอุปถากของพระเทเะคนหนึ่งชื่อเรวดีคิดว่าเออเราจะบูชาพระเทเร ก็ทำทำเสาดอกไม้ทองเนี่ยเสาดอกไม้ทองนะเอาดอกไม้ทองเอาทองมาทำา3ต้นท้าสกเาเทวราชก็คิดว่าเราจะบูชาพระเถระก็เอาบริษัทบริวารตนเองมาล้ำถวายงานศพประมาณสองโกร2โกรธสองโก ร, โ ก, รก็ประมาณเท่าไหร่ โกละล้านสองล้านคนใช้สองล้านคนอมา ล, ล้ำถวายโอ้โหในครั้งนั้นเน่ยเทวดากับมนุษย์เนี่ยพูดคุยกันได้เลยว่ามันนั่นคนในยุคก่อนเนี่ยเห็นเทวดาเทวดาเห็นมนุษย์เป็นเรื่องปกติเลยในยุคนั้นนี่ยถ้ายุคนี้ลองมากันอย่างนั้นทีคนจะเชื่อเรื่องในโกสวรรค์กันเต็มเลยคนมีบุญมาเกิด อ, อยู่จะเป็นรักษะนั้นเออทีนี้พูดถึง พูดถึงนางนางเลวดีเนี่ยแม้วาสิกานั้นก็ถอยกลับอยู่ในที่นั้นเนี่ยมีภาระ ห, าหนักไม่อาจจะถอยได้จริงๆนางล้มลงในระหว่างที่พวกมนุษย์กําลังมางานศพพระเทวราชนางเลวดีล้มลงแล้วมนุษย์เหยียบเหยียบเธอตายเลยตายใน ง, งานงานศพภาษาญี่ปุตรพอตายปุ๊บในขนาดนั้นแหละนางก็ไปเกิดในวิมานทองชั้นดาวดึงเลย ไปเกิดในวิมานทองชั้นเดาดึงมีอัตภาพตั้งสารขาวุธเหมือนท่อนแก้วนางประดับเครื่องประดับประมาณเต็มหกสิบเล่มเวียนนี่มีนางฟ้าตั้งหนึ่งพันแวดลอ้อมนางก็อ๋อทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้แล้วเราทำกรรมอะไรเนาะก็เห็นโอ้เราได้บูชาพระเทลราดได้ดอกไม้ทองเนี่ยสามต้นในที่ปรินิพานของพระเทลรามหาชนเหยียบเราแล้วตายดีท่า น, นจะเกิดในสวรรค์เนี่ยเฮ้ยดูผลบุญดิ เราอาสายพระเถระเนี่ยเราจึงได้บุญขนาดนี้ก็ลงมาพร้อมได้วิมานนั่นแหละมหาชนเห็นแต่ไกลสําคัญว่าหูเหมือนดวงอาทิตย์ลงมางั้นนะเนี่ยเห็นไหมทําให้คนเห็นประจักษ์ขนาดนั้นแหละเทพธิดาก็บอกว่าเออเราชื่อเรวดีบูชาพระเถระด้วยเสาประดับด้วยดอกไม้ทองนะสามต้นถูกพวกมนุษย์เหยียบเราตายพอตายปุ๊บเราไปเกิดในในดาวดึงส เ, เสร็จเราก็เลยเชิญท่านทั้งหลายจงดูศรีระของเราเนี่ยประมนั้นเอง สมบัติของเราเนี่ยพวกท่านจงให้ทานจงรักษาศีลจงทําบุญเถิดท่านนางกล่าวสรรเสริญทําการทำกุศลและปะทักศีลเชิงตะกรพระเถระไปเสร็จแล้วก็ไปที่อยู่ของตัวเองฝ่ายมหาชนก็พากันบูชาจัดงานศพของพระเถระอย่างนั้นแหละแล้วก็เสร็จพอเสร็จแล้วก็เผานี้ท่านประจุทฑานเนี่ยก็เอากระดูกที่เรียกอธิของพระเถระหอ แล้วก็เดินทางกลับมาที่เชตวันก็ไปอาบน้ําที่สาบวกคารณีในเชตวันเนี่ยนุ่งผมเรียบร้อยก็คิดว่าเออเราจะไปหาใครก่อนก็เลยไปหาท่านพานนท์ไปหาตอนนี้อะไรที่พานนท์ก็ร้องไห้พานนก็ร้องไ ห, นนกงห้ก็เลยบอกว่านี่บาทของพระเทเะนี่กีวรของพระเทเะนี่ก็กระดูกกว่ า, า น, นันเด พระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อมาเข้าไปว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับเอาหอ่อผ้ากรองน้ำหมอดาบวางไว้บนบนฝ่าพระบาทตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นใดวันก่อนทําปาฏิหาริย์หลายร้อยอย่างขออนุญาตปรินิพานบัดนี้ธาตุทั้งหลายเปรียบด้วยสีสังเหล่านี้ของเธอปรากฏอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้บําเพา็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับ ยังธรรมจักที่เราให้เป็นไปแล้วหมุนก็คือสามารถเทศแสดงธรรมจักเหมือนพระริจ้าได้เธอเป็นผู้สอนวางกันนะองค์ที่สองที่เราได้เฉพาะเป็นผู้ให้สาวกสันนิบาตครบภิกษุนี้เว้นเราเสียหาผู้เสมอด้วยปัญญานห ม, ห, มหมื่นจักรวาลไม่ได้ก็คือเว้นพระริจ้านะในมื่นจักรวาลเนี่ยหาใครจะมีปัญญาเท่าภาษาลิบุตรไม่ได้ขนาดนั้นนะเว้นปัญญาออกเสีย คือว่าเม็ดฝนที่ตกในมหาสมุทรเนี่ยตกลงมาเป็นกับกบเนี่ยตกมานานขนาดไหนภาษาลิบุตสามารถคํานวณ น, นั บ, บเม็ดฝนได้ปัญญาขนาดนั้นเนี่ยก็เม็ดทรายในมหาสมุทรเนี่ยยังอาจจะคํานวณ น, นับได้ว่ามีเท่าไหร่แต่จะคํานวณปัญญาของภาษาลิบุนั้นไม่ได้เนะนี่ยท่านมาเป็นในด้านทังปัญญาบารมีมาสูงส่งมามีปัญญาแก่กล้าเป็นผู้ ในมืนจักรวาลเธอเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญากล่าวให้บันเทิงได้มีปัญญาแล่นไปเร็วมีปัญญาแก่กล้ามีปัญญาในการแทงตลอดเธอมีความปรารถนาน้อยด้วยสันโดดด้วยสงัดไม่ครุกคลีปรารบความเพียรเป็นผู้ตักเตือนติเตียนความชั่วเธอละมหาสมบัติที่ได้เฉพาะแล้วบวชแล้ว500ชาติก็หมายความว่าในทุกอัธภาวนี่ทิ้งสมบัติบวชหมดเลย500ชาติ พวกเราไม่มีสมบัติอย่างท่านเลยไหมเนี่ยทิ้งมหาสมบัติมาเนี่ยห้าร้อยชาติในบทบทติดต่อกันมาเนี่ยห้าร้อยชาติตรงนั้นเถอะเกิดมาในอัตภาพใดก็ทิ้งมหาสมบัติบวชทิ้งมหาสมบัติบวชเราเป็นเงี้ยไหทิ้งไหมทิ้งออกบวชไหมทิ้งไม่ทิ้งก็ทิ้งทุกวันนี้พวกเราก็ทิ้งอย่างเงี้ยไอ้เจ้าชมป์นี่ยไทิ้งใช่ไหมทิ้งแล้วออกบวชพวกนี้มันเป็นบารมีในดีดมาดีนะ แต่ปัจจุบันนี้วิปริตมนุิการ น, นยคิดไม่ถูกถ้าคิดถูกโอ้โหต่อยอดใหญ่เลยเนะี่ยนี่ บ, บวชใหญ่เลยไม่ศึกเล ย, เลยนี่เวอร์มีคิดผิดไปเข้าใจว่าทางโลกมันดีแท้ที่จริงกลับไปเดี๋ยวก็ผิดหวังเลยนะจะเป็นร่นามสลายนะเธอเธอละมหาสมบัติได้เฉพาะแล้วแต่บวชแล้ว500ชาติมีความอดทนเสมอด้วยแผ่นดินในาศาสนาของเรา อ, อดทนเช่นกับโคอุสุภะที่มีเขาขาดไอ้ โ, โคเขาขาดเนี่ย เวลาเดินไปนั่นที่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็ไม่กระแทกซ้ายกระแทกขวาไม่ช่นใดคนที่ละตัญหามาน่าได้ก็เป็นอย่างนั้นมีจิตอ่อนโยนเช่นบุตรคนจันทานนะดูก่อนพิกษุนทั้งหลายพวกเธอจงดูธาตุของผู้มีปัญญามากจงดูธาตุของผู้มีปัญญาหนาแ น, าน่นนะยงดูธาตุของผู้มีปัญญากว้างขวางมีดูธาตุที่เป็นผู้มีปัญญาแล่นเร็วมีปัญญากล้าแข็งมีปัญญาชํำระ ก, กิเลสผู้มีความปราถนาน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีปรารบความเพียร ผู้ตักเตือนติเตียนความชั่วสารีบุตรใดละการทั้งหลายอันเป็นที่รื่นลมแห่งใจแล้วบวชแล้ว500ชาติพวกเธอจงไหว้ภาษารีบุตรนั้นจงไหวพระธาตุนะผู้ปราศจากราคะมีอินทรีย์สํารวมดีแล้วปรินิพานแล้วเถิดว่าไหมสารีบุตรใดมีความอดทนเป็นกําลังเสมอด้วยแผ่นดินย่อมไม่หวั่นไหวทั้งไม่เป็นไปในอํานาจแยังกิดด้วยมีความอนุเคราะห์เป็นผู้ประกอบด้วยกรุณาปรินิพานแล้วพวกเธอจงไหว้าสารีบุตรนั้น แล้วก็บอกว่าลูกจันทานเข้าไปพระนครแล้วมีใจเจียมตัวถือกระเบื้องเที่ยวไปฉันใดสาริบุตรก็เป็นฉันนั้นแหละเธอจงไหวภาษาริบุตรผู้ปริญนิพพานแล้วเถิดโคอุสุภาเนี่ยตัวมีเขาแล้วหูขาดแล้วไม่เบียดเบียนเที่ยวไปภายในเมืองฉันใดภาษาลิบุตรก็ฉันนั้นเป็นคนมีราคะโทสะโมหะหมดแล้วพวกเธอจงไหวภาษาลิบุตรพู้ปริญนิพพานแล้วเถิดพระเจ้ากระสรนเสริญคุณของพระเถระ ด้วยคาถาห้าร้อยด้วยประการเจนี้พระเจ้าทรงสรรเสริญคุณของพระเถราโดยประการใดๆท่านพระนรนไม่อาจจะดารงอยู่ได้หวั่นไหวเหมือนกิ่งไม้ที่แกว่งไปมาแล้วเพราะเหตุนั้นพระนรนจึงกล่าวทูลว่าอปิเมียพันเตมทุระชาโตยะตายโยข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญกายของข้าพระ อ, องค์ย่อมหวั่นไหวปานประหนึ่งว่าจะงอมละงมไปนะก็หมายความว่าทนไม่ไหวอะ่ะร้องไห้พระนรนน่ะร้องไห้ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนอ น, น, น์สารีบุตรเนี่ยได้พาศีลขันปริณิพานไปด้วยหรือได้พาสมาธิขันปริณิพานไปด้วยหรือได้พาปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนะขันเป็นต้นปริณิพานไปด้วยหรือบอกว่าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่ได้เป็นในลักษณะอย่างนั้นหรอกแต่ว่าพระสารีบุตรเป็นผู้มีอุปการะมาก เป็นผู้มีอุปการะคุณมากเลยเนี่ย น, นภาษารีบุทเนี่ยท่านปริพันตรงนี้ถามว่าเราจะได้อะไรเราศึกษาประวัติของท่านสิ่งที่ควรจะได้ก็คือว่าได้จริยาวัดได้วิธีฝึกจิตการวางตัวของท่านที่เหมาะสมการประกาศคำสอนของท่านการที่ท่านเป็นผู้ที่มีคันติมีความอดทนทั้งหลายอลไรเนี้ย เออในรายละเอียดนะี้จบในสูตรนี้ก็คือว่ากายนี้ไม่ยั่งยืนหนอคขั้นปราศจากวิญญาณอันเขาทิง้งเสียแล้วก็จักถมซึ่งแผ่นดินราวกับท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้เลยฉะนั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาขั้นเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปความเข้าไปสงบงระงับสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขนี่นะประวัติของภาษาดิ เออตอนนี้ก็อยากจะพูดถึงพอดูจากอัธยาศัยของภาษารีบุตรเบ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวมานึกมาดูถึงในคำสอนของพระเจ้าอีกทีเดี๋ยวจะเล่าตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเออในศาสนาของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรด หลังจากที่พระพุทธเจ้าตัสรูุณุตรสัมมาสัมพุทธิยาณแล้วใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยไปโปรดปัญจญวะัคคีทั้งห้าแสดงพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่เป็นปไปพอแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจบปุ๊บท่านัญญาโกนทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วต่อมาแล้วต่อมาก็ทรงแสดง ปกินกะเทศนานีปกิณกะเทศนาที่ทรงสแสดงก็คือต่อมาท่านว่าป่าพัทยามหานามะอาสชิก็ได้บรรลุนนตอนที่ท่านทีนี้ในครั้งนั้นที่พระ บ, บรมศาสดาสทรงสแสดงนั้นน่ะพรเจ้กาก็ทรงทำให้ ปัญจวัคคีทั้ง5เนี่ยได้รู้คําว่าการมาสุ ข, ขาริการุโยกการหมกมุ่นในการมาสุขในการทั้งหลายเป็นธรรมสามเป็นของชาวบ้านเป็นขบุตรชนไม่ใช่ของรอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์แล้วก็พูดเรื่องของอัตตกิรมาฐานุโยกากา ร, รการประกอบทําความลําบากให้แก่ตนเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์แล้วก็ชี้แนะให้ปฏิบัติตามมชมาปฏิปทาเพราะไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุด2 อ, อย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่พระตถาคตได้ตรัสรู้เป็นปฏิปทาให้เกิดจากสุข ก่อเกิดยานหน้าคือปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตัดสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานในยพูดมัชฌิมาปฏิบทาก็คือพูดในเรื่องของอริยมรรคในองค์แสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นในเรียสสี่สัมมาสังกปะความดําริชอบก็คือดําริในกุศลสังกปะสามดำริออกจากกางเป็นต้นสัมมาวาจา ก, การกล่าววาจาชอบก็คือเว้นจากวจีทุจริตสสัมมากรรมตาการกระทําชอบก็เว้นจากกายยทุจริตส สมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบก็เว้นจากกายทุติจิตหริอสามทุต 3, ิทุติิตสี่มาวิมารเพียนชอบก็คือเพียนในสัมมประธานทั้งสี่สมาสติระลึกชอบก็คือระลึกในสติประฐานสี่สมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบก็คือตั้งมั่นในฌานทั้ง4ใช่ไหมแล้วก็พระพุทธเจ้าก็พูดถึงในเรื่องของนี่แหละแล้วก็พูดถึงมรรคแปเสร็จแล้วก็มาสรดบลงที่อริยสัจ4ี่ ทุกขสัจจะเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้เป็นปริญญาญาธรรมเคยขยายไปย่อๆมาแล้วทุกขสมุทัยอริยสัจก็เป็นธรรมที่ควรละเป็นปหาตัปธรรมทุกขนิโรธาอริยสัจเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งเป็นสัจจิกาตัปธรรมทุกขานิโรธคาเมนีปฏิปทาอริยสัจเป็นธรรมที่ควรเจริญนี่เป็นมรรคเป็นภาเวตัปธรรมการอย่างรูปกิจที่ต้องทําในอริยสัจสี่ทำให้เสร็จแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ารอบสามนี่แหละทุกขสัจจะคืออย่างไรมีชาติทุกเป็นต้น สมุทรทายาส จ, จ่าก็เป็นกรารมตัญหาเป็นต้นนิโรธาสจ่าหมายถึงพระนิพพานแล้วก็ม ร, รคสัตว์ก็คือองค์มรคแปดนี่แหละและวพระเจ้าก็ทรงแสดงบอกว่าภิกษุทั้งหลายยาณทัศนะตามความเป็นจริงของเราในเริยสสี่เหล่านี้รอบสามอาการ12อย่างนี้ยังไม่หมดจดดีตราบใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตัดรู้สัมมาสัมพุทธญาณนันยอดเยี่ยมในโลกกับทั้งเทว โ, โลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตราบนั้น ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดความรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสีเหล่านี้คือรอบ3อาการ12 12อาการอย่างนี้หมดจดดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณยอดเยี่ยมในโลกกับทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัสตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ญาณทัศนาเกิดขึ้นแกเราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนี้เป็นพบพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปนี่ ตรงนี้ก็คือพุทธเจ้ายืนยันการตัดสรุใใช่พอการประกาศอย่างนี้เป็นเหตุทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นและต่อมาก็ฟังทำนั่นแหละในสุดจริงๆพระ อ, องค์ก็แสดงปกินกะเทศนาแล้วก็จบลงด้วยอนัตตลัณะสูตรก็เลยเป็นพารหาหันกันทั้ง5รูปใช่ไหมที่ป่ายิปัฒนาริขัยวันได้บรรลุปเป็นพารหันกันทั้งหมด ทีนี้ที่จะพูดต่อตรงนี้ก็คือว่าพระเจ้านะมีพระเมตตาช่วยในการโปรดปัญญวัคคีทั้ง5้าปัญญวัคคีทั้ง5คิดว่าได้ทราบว่าเนี่ยแล้วต่อมาก็เลยได้ได้บรรลุกันทั้งหมดนี่นะแล้วต่อมาก็มีพระที่มาบรรลุในครั้งนั้นหรือบุคคลที่มาบรรลุในครั้งนั้นอีกมากเลย และอีกเรื่องหนึ่งที่จะกล่าวเสริมตรงนี้ไว้ก็คือว่าพัานพันนารกาาเราอาจจะไม่เคยรู้ตรงนี้ผู้ปฏิบัติแบบโมเนยะปฏิบัทาคือพันนารกาเนี่เป็นหลานชายของอสิตาดาบทนี่เป็นพระทหารรูปที่เจ็ดแต่เป็นพระรหารสาวกแต่จากรู ป, รปที่หกก็หมายความว่าเป็น พอหลังจากปัญจวัคคีทั้ง5แล้วเนี่ยคนที่บรรลุต่อมาคือท่านพระนาละกะนะเมื่อ35ปีก่อนอสิตาดาบดหรือกาลเทวินดาบดได้ทำนายว่าโอรสของพระเจ้าสุโธธนาะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเน่นอนใช่ไหมตอนนั้นที่ไปเฝ้าพุทธเจ้าเรือเ่องไปเฝ้าพระพระเจ้าสุโธธนาะแต่มาพิจารณาว่าตนเองจะต้องหมดอายุไขสซะก่อนจึงให้หลานชายบวช เป็นดาบดทคอยข่าวการตัดสรุปนี่นะเมื่อพระเจ้าตัดสรุปและแสดงธรรมจักรณนะ์กรุงบาลานสีเนี่ยนารกาดาบดได้ยินข่าวก็เข้าไปเฝ้าทูลถามโมเนยะปฏิปทาข้อปฏิบัติของผู้เป็นมุนีอัตกระถาก็กล่าวบอกว่านาฬกาดาบดมาเฝ้าพระเจ้าตรัสพระหลังจากที่พระเจ้าตรัสพระธรรมจักไปแล้วเจดวัน คือพระพุเจ้าแสดงพระธรรมปจากแล้วเจ็วันเนี่ยนารก่าเข้าเฝ้าดาบทชื่อว่านารกาเนี่ยเป็นหลานของอสิตาฤศีเนี่ยบําเพ็ญบารมีมาแสนกลับได้ไปทูลถามโมเนยะปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าในวันที่เจ็ดจากวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมปจักให้เป็นไปฉะนั้นก็จะต้องเป็นองค์ที่เจ็ดเป็นพระอรหันต์องค์ที่เจ็ดใช่ไหมยะสามาทีหลังยะสาวกลัวบทมาทีหลัง เจ็นี่นับพุทธเจ้าด้วยนะถ้านับเฉพาะพระรหารก็คือองค์ที่6นั่นแหละท่านฟังธรรมแล้วกลับไปอยู่ในป่าประพฤติโมเนยญาปฏิบัติบรรลุเป็นพระรหารเมื่อเป็นพระรหารและความที่ท่านปฏิบัติอย่างอุกฤษท่านมีชีวิตอยู่ได้เพียง7เดือนและท่านก็อ น, นิพพานปฏิบัติแบบอุกฤษนะนะยกตัวอย่างพระดำหลัดในเรื่องของโมเนยญาปฏิบัทาหรือโมเนยญาปฏิบัทานนะข้อปฏิบัติความเป็นมุนีบอกว่าท่านบอกว่า นาละกาดาบทได้ฟังเสียงระบือถึงการที่พระชินสีทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐจึงเข้าไปเฝ้าพระริเจ้าเนี่ยองอาจกว่าฤษีนั่นแหละแล้วก็เลื่อมใสได้ทูลถามปฏิปทาที่ประเสริฐสุดกับมุนี้ผู้ประเสริฐถึงเวลาทําตามคําสั่งสอนของสอิตาของฤษีนะว่าท้าวข้าแต่พระโคดมคําของอสิตาฤษีนั้นข้าพระ อ, องค์ได้รู้ว่าเป็นจริงตามที่กล่าวแล้ว เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้ถึงฟังแห่งธรรมะทั้งบวงพระองค์ผู้อันข้าพระองค์ทูลถามว่าแล้วจงตรัสบอกมุนีปฏิปทาอันสูงสุดของมุนีผู้บรัรบชิตผู้สแสวงหาการเที่ยวไปเพื่อพิษขาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดก็หมายความว่าท่านเป็นหลานของอสิตาดาบทท่านก็บอกว่าอาจารย์ของท่านเออะไอ้ลุงท่านเนี่ยตายไปแล้วแต่ทํานายไว้ว่า จะมีพระพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นในโลกแล้วก็มีจริงๆงั้นข้าพเจ้าเนี่ยมาบวชรอท่านอยู่เนี่ยแต่ขอถามโมนายะปฏิบัติข้อปฏิบัติของมูนีอันสูงสุดเนี่ยว่านั้นเถอะพุทธเจ้าก็เลยแสดงโมนายะปฏิบัติว่าโดยย่อๆเนี่นะบอกว่าเราจะพยากรปฏิบัติข้อปฏิบัติของมูนีที่ปฏิบัติได้ยากเราอยากจะทําให้ข้อปฏิบัติได้ยากนะขนาดง่ายยังไม่ทําเลยยังไม่เอายากเนี่ยอยากฟังไหมบอกว่า ทั้งให้เกิดความยินดีได้ยากแก่เธอเอาเถิดเราจะเราจะบอกปฏิปทาของมุนีนั่นแก่เธอนะเธอจงประการแรกเธอจงช่วยเหลือตนเองจงเป็นผู้มั่นคงเถิดนะการที่จะปฏิบัติแบบข้อปฏิบัติอนุปริตเนี่ยมุนีพึงทาทั้งคำนะพึงทำทั้งคำด่าและคำกราบไหวในหมู่บ้านให้มีส่วนเสมอกันทำได้ไหมเสียงด่าและเสียงชมอ่ะ คนเขามากราบไหว้กับคนที่เขาเอาก้อนหินมาคว้างเธอเธอให้เอาเอาการกระทําของมนุษย์หรือของบุคคลทั้งหลายเนี่ยให้ทําใจเสมอกันเสม อ, อยังไงอ่อถามว่าเวลาจอมปลวกเนี่ยทำเหมือนจอมปลวกหรือเหมือนต้นไม้เวลาจอมปลวกเวลาใครเอาเอาดอกไม้ไปไหว้จอมปลวกจอมปลวกดีใจไหมดีใจไหมเอาถ้าใครไปถ่ายอยูจะล่ารถถ่ายปัสสาวะรถจอมปลวกจอมปลวกดีใจเสียใจไหม นั่นแหละให้ทำจิตใจมันจอมบวกอ่ะทำได้ไหมเนี่ยมุ่งนี้ไปข้อปฏิบัติอันแรกแรกโอ้นั้นใครจะมากราบไหว้ก็วางเฉยใครจะมาดามาชกหน้าก็วางเฉยทำได้ไหมเนี่ยการข้อปฏิบัตินี้เราสุดยอดเป็นการปฏิบัติที่สุดยอดเป็นโมนเนียปฏิปทาเนะคือจงรักษาจิตไม่ให้คิดร้ายแต่คนที่มาบระเทศร้าย เป็นผู้สงบไม่ฟุ้งซ่านและเที่ยวไปอารมณ์สูงต่ำเปรียบเส ม, มือนเตลไฟในป่าย่อมปรากฏนารีมักป ร, ราปรโรมในมุณีเธอจงระวังอย่าให้นางป ร, ราปรโรมได้หมายความว่าอย่าให้กิเลสเป็นกบมรุมอะให้วางใจเสมอเรียบมุณีพึงงดเว้นจากเมถุนธรรมลากามมะคุณทั้งที่ปราณีตและไม่ประณีตไม่ยินดียินไลในสัตว์ผู้ยังหวาดสดุงและที่มั่นคง มุนีพึงทําตอนนี้เป็นอุปมาว่าเราชั้นใดสัตว์รังหลายก็ฉันนั้นสัตว์เหล่านี้ชั้นใดเราก็ฉันนั้นดังนี้ไม่ฆ่าเองไม่ใช่ผู้อื่นฆ่าโอ้โหวางใจอย่างนั้นเลยมุนีละความปรารถนาและความโลภในปัจจัยสี่ที่บุญชวนพากันยึดติดได้แล้วเป็นผู้มีจักษุปฏิบัติปฏิปทาของมุนีก็จะข้ามพ้นความทยานอยากในปัจจัยในราบสการัซึ่งเป็นดุจเหวลึกนี้ได้ก็คือว่าไม่ไม่ไม่ติดเนี่ย ไม่ติดในที่อยู่อาศัยเครื่องดูดผมยาอาหารไม่ติดเลยว่าอย่างนั้นเถอะสามารถสละเมื่อไรก็ได้ใช้ก็ใช้สักแต่ว่าใช้ใช้ไปท่นนั้นเองอ่มีใครมาขอสละให้ได้ทุกอย่างเลยทำได้ไหมได้มุนีเป็นผู้มีท้องพร่อง ฉันอาหารแต่พอประมาณมีความปรารถนาน้อยปราศจากปราศจากความละโมบหมดความกระหายหิวด้วยความอยากไม่มีความอยากอีกต่อไปดับความเร่าร้อนได้ตลอดการกินน้อยอะ่ะฟังนิดเดียมุนีนั้นเที่ยวรับบินตบาดแล้วก็เข้าไปชายป่า ท, ทันทียืนหรือนั่งที่โคนต้นไม้ในชายป่านั้นมุนีนั้นควรจะขวนขวายในฌานทรงปัญญายินดีอยู่เฉพาะในชายป่าควรเพ่งพินิษฐ์ทำตนให้ยินดียิ่งนะักโคนต้นไม้นั้นไม่อยู่บ้าน มุมโมนยาปฏิบัติเนี่ยเข้าไปรับอาหารเสร็จปุ๊บรีบเข้าปา่าทันทีแล้วไปอยู่ในฌานฝึกฌานสมาบัติเดินเดินวิปัสสนาญาณยินดีอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตไม่อยู่กุฏิทําได้ไหมไม่อยู่แบบนี้เลยนะพวกโมนญาปฏิบัติเนี่ยอยู่ในป่าอย่างเดียวจะเป็นหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนไม่สนไปรับอาหารปุบนิดเดียวกับเลยว่างั้นเถอะไม่คุกครีกับใครทั้งนั้นไม่สนใจทําได้ไหมนี่ <ming> <c oughs> <audio> ขนาดนั้นเลยนะว่างั้นเถอะ จากนั้นเมื่อราตรีสว่างแล้วมุนีนั้นเข้าไปสู่บริเวณหมู่บ้านไม่ควรยินดีรับนิมนต์ฉันที่เรือนเนีและอาหารที่เขานํามาจากบ้านถวายเจาะจงถ้าเขาเจาะจงไม่รับเลยมูนีนั้นเข้าไปถึงหมู่บ้านแล้วก็ไม่ควรรีบร้อนเข้าไปเรือนตระกูลอุปถากเป็นพูดตัดการพูดคุยไม่ควรกล่าวว่าจ่าเกี่ยวกับการแสวงหาของกินอีอันนั้นอร่อยเนี่ยอร่อยจะไม่พูดหรอกมู้นีนั้นคิดว่าสิ่งที่เราได้แล้วล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นทั้ง ไม่ได้ก็ดีดังนี้แล้วก็เป็นผู้คงที่เพราะการได้และการไม่ได้ทั้งสองอย่างนั้นกลับเข้าไปยังที่อยู่ของตนเหมือนคนหาผลไม้ไปยังต้นไม้ฉะนั้นนะเออได้หรือไม่ได้กลับทันทีไม่โอ้คนนี้ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ไม่ทุกบร้อนเลยนม่แต่นิดเดียวไปบินดาบไม่ได้อาหารกินทุกบร้อนไหมใจเป็นทุกไหมโอ้จะกินอะไรเนี่ยเนี่ยได้ไอเป็นไหมบอมเป็นไม่เป็นเขาใส่อาหารปุ๊บนี่คิดตลอดเลยปรุงแต่งกินในนั้นเลยไหม ไ, ไม่ได้ก็ดีใจได้ก็ดีใจไม่ได้ก็วางใจเฉยได้ก็วางใจเฉยอ่ะทำนี้ได้ไหมได้หรือไม่ได้เขาก็วางใจวางใจได้นี่เป็นนี่นเขาแบบโมเดลยาปฏิบัติปฏิบัติยากหน่อยเนี่ยมนุนี้นั้นอุ้มบาสเที่ยวไปเป็นผู้ไม่เป็นใบ้ก็สมมติตัวนว่าเป็นใบ้ ไม่ควรดูหมิ่นทานว่าน้อยไม่ควรดูแคนทายกผู้ให้ปฏิบัทาที่พระสมณพะประกาศไว้มีทั้งสูงและต่ำมุนีที่ปฏิบัติไปได้ถึงฝั่งทั้งสองครั้งหามิได้มากสีเกิดขึ้นมากและหนึ่งครั้งลา ก, กิเลสเด็ดขาดมากที่จะเกิดขึ้นครั้งที่หไม่มีฝั่งนี้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ครั้งเดียวก็หามิได้รู้ด้ว ย, วยมรรคยานทั้ง4ี่ครั้งนะอันหนึ่งมุนีเนี่ยเป็นผู้ ตัดเสียกระแสขาดแล้วไม่มีตัณหาสร้านไปมีกิดน้อยใหญ่แล้วย่อมไม่มีความเร่าร้อนเราพยายามพยากรณปฏิบทาโมนีให้เธอทราบต่อไปนี้คือภิกษุผู้ปฏิบัติควรเป็นเป็นผู้มีคมมิดโคนเป็นเครื่องเปรียบกดเพดานไว้ด้วยลิ้นสำรวมท้องควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อแท้และไม่คุ้นคิดกังวลมากเป็นผู้หมดกิเลสคือโทสะไม่มีตัณหาและทิฏฐิ อาศัยที่พรหมจรรย์เป็นจุดหมายฝึกฝนเพื่อการนั่งสงบผู้เดียวและเมื่อบำเพ็ญกิจภาวนาของสมณะความเป็นมุนีที่เราบอกไว้แล้วโดยส่วนเดียวหากเธอจักกินดีอยู่ผู้เดียวเธอก็จะปรากฏเกียรติคุณไปทั่วสิบทั้งทั้งสิบทิศโอ้ขนาดนั้นเลยนะใช้ลิ้นดัดดุงเพดานไว้ขม่มกดกิเลสไว้นะหัด<ะ>สู้กับกิเลสมัน ถ้าไม่ได้บรรลุณอาสนะนี้จะไม่ลุกขึ้นเลย ม, ม, มุนีปฏิบัติาปฏิบัติขนาดนั้นไม่ยอมเลยขาดตา ย, ลยปล่อยตายเป็นตายเลยเนะี่ได้ข้อปฏิบัติเลยนะขนาดนั้นไหวไหยใจท่านเด็ดเนี่ยท่านท่านปเเอเฟสไปบุกกรีอย่างเงี้ยท่านมีอายุแค่เจ็ดเดือนเลเ็ดเดือนท่านปรินิพานเลยเธอได้ฟังเสียงสรรเสริญของนักปราชญ์ทั้งหลายผู้เพ่งพินิจอยู่ตัดขาดจากกรรมแล้วต่อจากนั้นควรทําฮิริ ความละอายต่อบาปศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปจึงนับว่าเป็นสาวกของเราได้เธอจงเข้าใจคําที่เรากล่าวแล้วนั้นโดยแจมแจ้งด้วยการเปรียบเทียบเหมือนแม่น้ํากับราคลองและหนองบึงคือแม่น้ําน้อยไหลดังสนัน่นแม่น้ําสายใหญ่ๆไ ห, หลเงียบสงบสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบคนพรามบเปรียบได้กับหม้อน้ําที่มีความมีน้ําเพียงครึ่งเดียวบัณฑิตเปรียบได้กับน้ําที่เต็มเปลี่ยนไอคนพราบในชอบโวยวาย เช่นเอาน้ำใส่หม้อครั้งไอ้ครึ่งเดียวน่เดินไปน่ะเขย่าไม่ดังไหมบันดิตเหมือนหม้อน้ำที่เต็มแล้วนไม่ไม่เอะอะไม่โวยวายเป็นผู้สงบเสงี่ยมพราะพพุทธเจ้ารู้จักถ้อยคำที่จะตรัสให้มากมีสาระประโยชน์จึงทรงสแสดงตามพระ อ, องค์ทรงรู้จึงได้ตรัสอันหนึ่งสมณะใดารู้แจ้งสมรวมจิตตนเองได้ไม่กล่าวมากทั้งที่รู้สมณะ น, นั้นเชื่อมุนีย่อมควรแก่เปรีพทาของมุนี สมณะนั้นเป็นมุนีได้บรรลุปฏิปทาของมุนีนั่นแล้วนี่ในนาฬากาสูตรเนี่ยเนี่ยแล้วท่านเมื่อรับฟังบอกว่าพระเจ้าเพียงครั้งเดียวท่านก็ไปเลยเข้าป่าตั้งแต่นั้นก็ไม่เจอพระพุทธจา้ารีกเลยได้ไดบรรลุในป่านพอบรรลุแล้วตอนที่ท่านบรรลุวันที่ท่านบรบรลุแล้วท่านอยู่อีกประมาณหกเจ็ดเดือนนี่ท่านก็ปริ น, นิพานภาษาพระพุทธเจ้ายังต้องไปเหาะไปทําศพท่านเลยพร้อมด้วยวิสุทธสงฆ์ขนาดยืน ในปริภานก็ยืนปริพานด้วยยืนหันหน้าไปทางพระเจ้าแล้วก็ปริพามลาพระเจ้าในที่ยืนนั้นและยืนพิงพนักปริิพานเลยในขนาดนั้นนี่ในในศาสนาหนึ่งจะมีองค์เดียวปรารถนาเป็นแบบนี้ไหมตั้งจิตปรารถนาเป็นเหมือนนาฬกาพิขุประพฤติโมเนยะปฏิบัติเออพอต่อมาก็กลุ่มที่ ยสากุรบุตรนะยศากุระบุตรที่เบื่อนายเข้ามานี่แหละยสากุระบุตรได้บรรลุธรรมตอนเช้าเอ่อยศากุระบุตรเนี่ยตอนนั้นนะท่านอุทานว่าเวลาใกล้รุ่งเนี่ยพระเจ้าตื่นบนทอมแล้วเสด็จลุกจากจองกลมนอะเนาะการแจ้งทอดพระเนตรเห็นยศากุระบุตรเดินมาแต่ไกล ในคืนนั้นนะถ้าถามว่ายะศาเนี่เป็นบุตรของเศรษฐีมีสมบัติมากในกรุงพาราณสีเกิดในท้องของติดาเศรษฐีชื่อว่านางสุชาดานางสุชาดาที่ถวายข้าวมารทุบะยญาติผสมน้ำนมแก่พระเจ้านั่นแหละมีชื่อยะศาเป็นผู้ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเขามีประสาทอยู่สามหลัง คือหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งก็อยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งก็อยู่ในฤดูฝนถือรวยนะอยู่อย่างที่ละสี่เดือนมีนักดนตรีล้วนบําเรออยู่เนี่ยนไม่ได้ลงมาบนพื้นภาษาชั้นล่างเลยเนี่ยฤดูหนาวก็อยูุ่นภาษาสี่เดือนฤดูฝนไปต้นก็อยู่อย่างละสี่เดือนไปต้นเลยนะเนี่ยเพียบพร้อมด้วยกามาคุณทั้งห้า เหมือนกับในเทวภูมิเดิมเอ่อคืนวันหนึ่งตอนนั้นน่ะพระเจ้าประทับอยู่ที่ปายสิปตัตนยะยศากุลบุตรนอนหลับก่อนพวกบริวารก็หลับที่หลังพอประทีดน้ํามันถูกจุดสว่างทั้งคืนราตรีนั้นยศากุลบุตรตื่นขึ้นมาเห็นพวกบริวารที่กําลังหลับบางนางก็มีพินอยู่ที่รักแล้บางนางก็มีตะโพนวางอยู่ที่คอตะโพรนพรู้จักตะโคนไหม เครื่องดนตรีนั่นแหะบางนางก็สยายผมบางนางบางนางก็น้ำลายไหลบางนางก็นอนละเมอต่างๆเพราะเห็นเนี่ยดุจเหมือนปา่าช้าผีดิบก็เลยอุทานบอกว่าอุปัตตุตังวัตโพอุปัตเสร็จถังวัตโพติท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอท่านผู้เจริญที่นี่ขัดข้องหนอเขาก็เลยลุกขึ้นลุกขึ้นสวนมรองเท้าเดินไปทางประตูนิเวศ นมนุษย์เปิดประตูให้หวังว่าใครๆอย่าทําอันตรายการออกจากการไปบวชเป็นบรรพชิตของกุลระบุตรนี้เลยวังนั้นเถอะก็อุทานไป <c oughs> ตอนนั้นพระบรมาศาสดาก็จงกรมใกล้ใกล้ลุ่งเนี้ยทอดพระเนตรเห็นยาา่าักดิุลระบุตรเดินมาแต่ไกลเสด็จลงจากที่จงกรมแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ขณะนั้นย่าศักดิ์กุลรบุตรเป่งอุทานมาว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายเนอที่นี่กาม า, มาคุณเนี่ยวุ่นวายหนอการมคุณเนี่ยขัดข้องหนอการมีบุตรมีภรรยามีสามีเนี่ยวุ่นวายหนอการมีบุตรมีภรรยาสามีขัดข้องหนอการต้องรับภาระหน้าที่เป็นครหัดขราวะทั้งหลายเนี่ยมันวุ่นวายมันขัดข้องหนอะขับข้องเนาะขดูทานอย่างนี้ไอ้กามเนี่ยรุ่นวายตอนนั้น พุเจ้าตรัสว่าอีทางยสะอนุปัตตุตังอีทางอนุปัตตสัทถ์เอหิยะนิสิตะธรรมังเตเทเศษสามิติดูก่อนยะศาสที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องแต่ว่าอะไรดูก่อนยะสนิพพานที่ไม่วุ่นวายนิพพานที่ไม่ขัดข้องถ้าทำกิเลสให้นิพพานทำขันธปรินิพพานได้แล้วจะ กำจัดความขัดข้องและความวุ่นวายได้เธอมาที่นี่เราจะแสดงหนทางข้อปฏิบัติเข้าถึงความไม่วุ่นวายหนทางและข้อปฏิบัติเข้าถึงความไม่ขัดข้องเด็ดขาองฟังแล้วนาะชื่นใจมีอาการมากคลวุ่นวายไหมวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายเป็นคารวาสวุ่นวายไหมวุ่นวายขัดข้องด้วยวุ่นวายด้ว ย, ยพระเจ้าก็เลยแสดงทานนักขาเรื่องทาน สีละถาก็เรื่องสีสักขะคาถาก็เรื่องสวรรค์กามอธีนาวาา่าคาถาเรื่องโทษหรือความต่ำสามความสมองของกามแล้วก็เนคคำมานี่สังสารคาถาอิสมการ อ, าอองจาระแสดงไปแสดงมาจิตของยศกฎก็อ่อนปราศจากนิวรณเบิกบานผ่องใสต่อมาพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงสามุกกลางสิกาธรรมเทศนาคำว่าสามุกกลางสิกาเนี่ยธรรมเทศนาคือพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องตัดทะลุได้ด้วยตนเองนี่แหละ ก็คือทรงแสดงอริยสัจสี น, นั่นเองพ็จบอุอริยสัจสี่าสาวกุลบุตรก็ได้ดวงตาตเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยสว่างวดีนะตอนนี้เหมือนผ้าถาวสะอาดและปราศาจากมลทินนะควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีเบีเต็พุกพอรุ่งช้ามารดามารดาเนี่ยขึ้นไปบนปราศาส์ไม่พบยาสาวเสถีที่เป็นสามีก็ส่งคนออกหาทั้งสี่ทิศ ก็ไปที่ป่ายิบปัตนะพบรองเท้าวางอยู่ก็ตามเข้าไปพระธิจ้าทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีมาแต่ไกลมีพระดำหรีว่าถ้ากะไรเราพึงบันดาลด้วยอิทาพิสังขารคือแสดงฤทธิ์ให้เศรษฐีนั่งอยู่ไม่เห็นเหมกันเลยไม่สามารถเห็นยาศศักตร์ได้เศรษฐีเฝ้าประทับถามวยาศศาว่าขา้าพอดีท่านเชิญนั่งลงก่อนเถิด บางทีท่านนั่งที่นี่แล้วจะพึงพบยาศากุลบทในที่นี้ก็ได้เศรษฐีก็มีใจเบิกบานเราจะได้พบบุตรก็นั่งนั่งตรงนั้นแหละพระเจ้าก็เลยแสดงอนุบุพิกถาอย่างเก่าทานสีสวรรค์เป็นต้นไลกไปตามแล้วจบลงด้วยอริย ส, สัจเศรษฐีได้เห็นธรรมบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้วยังลงสู่ธรรมาปราศจากความสงสัยแล้วเนี่ยความเป็นผู้กล้ า, ลาไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคําสอนของพระ บ, บรมศาสดาบอกก็เรียกว่าข่าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งไพเราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งไพเราะยิ่งนักพระองค์ประกาศพระธรรมมันแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่กวําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือคนตามปฏิบัตในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปวงนั่นเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์เป็นจารณะ พระพุทธพาะเจ้าจงจำข้าพเจ้าเป็นอุบาสกพูดถึงรัตนาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตนี่เศรษฐีเลยกลายเป็นเตวาจิกะอุบาสกเป็นอุบาสกที่ถึงรัตนาสามเป็นคนแรกในโลกนี่นะยาสา ร, รบุญระบุได้ฟังเป็นครั้งที่สองเลยได้บรรลุเป็นพระหลานนี่นะจิตของยศศาก็ได้บรรลุหลุดพ้น ลำดับนั้นพระุทธเจ้าก็เลยทรงทราบความหลุดพ้นจากอาสวะของยะสาแล้วดำริว่ายะสาคุรบุตรไม่ควรไปเป็นเครือขัดบริพวกกาเหมือนครั้งก่อนถ้ากะไรก็ท่านก็คลายฤทธิ์แล้วก็คลายเศรษฐีได้เห็นยะสาคุระบุตรบอกพ่อาายสามารดาของเจ้าโศกเศร้าคล้าครวญนะเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาเถอดยสาคุระบุตรก็เงยหน้ามองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสกัเศรษฐีว่าข้าบดี ท่านจะเข้าใจข้อนั้นอย่างไรยาศากุลบุตรได้เห็นได้รู้ทำด้วยยานอันเป็นเศขารยานของพระสาวกชั้นโสดาบันสก่าธาณาคามีด้วยยานนทัสนะเป็นเศขาเหมือนท่านเมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้จิตก็หลุดพ้นจากอาสวัทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นยาศากุลบุตรควรหรือที่จะกลับไปเป็นเครือข่าบริโภคกา ร, รมเหมือนครั้งก่อน เศรษฐีกล่าบทูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพุทธเจ้าค่าพระองค์ผู้เจริญการที่จิตของยาศกุลบุตรดูดพ้นจากอาสวะมีการวาสวะไม่ถึงมั่นเนี่ยเป็นลาภของยาศกุลบุตรแล้วพ่อยาศาได้ดีแล้วขอพระองค์ผู้เจริญขอพระองค์มียาศกุลบุตรเป็นปัจฉาสมณะผู้ติดตามโปวดทรงรับพัฒตาหารของข้าพระองค์เจริญกุศลในวันนี้ด้วยเถิดมาจากคําว่าอัจชะตะนายะ แต่เนื้อเรื่องว่าวันวันพวกนี้รับนิมนต์โดยดุษณีภาพนิ่งไม่กล่าวรับไม่กล่าวปฏิเสธเศรษฐีทราบการรับแล้วก็เดิลุกจากอาสนะถวายพุทว่าแล้วกลับไปยศศักดิ์บุตรขอบรรพชาอุมสมบทพุทธเจ้ากระต่ายว่าเอหีพิกุสวาขาโตธรมโมจระธรรมจริยังเธอจงเป็นภิกษุเธอทําเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิเ น, นี่ยอันนี้เป็นการอุปสมบทแห่งยศสรุปแล้วก็ ได้เจ็ดแล้วนะได้เจ็ดปัญจวัคคีห้ายาศาหนึ่งนี่ไม่นับท่านนารกาะก็เป็นหกเจ็ดพร้อมทาพพุทธเจ้าถ้านับนารากาะท่านม่อยู่ในที่นี้แล้วนะเลยไม่นับที่ต่อมานะขั้นเวลาเช้าพุทธเจ้าทรงอันเตวาศส บ, สบงจีวรมีท่านพระยาศาเป็นประชาสมณะเสดไปยังนิเวศของเศรษฐี นั่งนอาิยัก็มารดาและอดีตภรยาของท่านยศาก็เข้ามาเฝ้าถวายพิวาตพระเจ้าก็แสดงอนุภูมิเสถาพอแสดงจบปุ๊บนะมารดาและภรรยาของยศาเนี่ยได้บรรลุเลยถึงสารณาสามเลยพุทธังสารนางขจามีเป็นต้นเขาเรียกเป็นปฐมบาศิกาเนี่ยเป็นปฐมบาศิกาแล้ว ทั้งสองก็ได้นาของเคี้ยวของฟาร์นีทั้งหลายมาถวายพระพุทธเจ้าก็ในคัมพียร์ถากถาวยศากุบุตรฟังธรรมครั้งที่1บรรลุธรรมาจากสุมรรคผลที่3ได้แก่บรรลุเป็นพระนาคีฟังธรรครั้งที่2พร้อมได้บิดาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นีไม่ไม่เหมือนกันยศศากุลบุตรเนี่ยเป็นบุตรของนางสุชาดาและยังว่าโดยพระพุทธเจ้าเป็นประทับรอยเ อ, อ่อ ที่โขนต้นไม้บอกว่าพระโพธิสัตว์เสด็จไปฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตอนนั้นนะี่ย้อนกลับที่หนึ่งทรงวางถาดทองไว้ริมฝั่งลงสงสนานแล้วเสด็จขึ้นก็ปั้นเป็นก้อนได้49ก้อนสวยข้าวมังุปายาดแล้วทรงลอยถาดทองลงในแม่น้ำเสด็จขึ้นสู่โพธิมณฑลตามลำดับบรรลุสัพพัญญุตยานประทับณโพธิมณฑลล่วงไปเกศปดา ก็ประกาศ ธ, ธรรมจักรอันประเสริฐนัป่ายิปศมาเลคธายวันเห็นอุปนิสัยของเด็กชายที่ชื่อยัะศาบุตรของนางสุชาดาจึงเสด็จไปประทับนั่งนักโคนต้นไม้ต้นหนึ่งแม้ยะศากุลบุตรเห็นนางบำเรอที่เปิดไว้ในระหว่างเวลาตีเกิดสลดใจว่าวุ่นวายหนอขัดข้องหน่อเป็นต้นออกจากนิเวศไปยังสำนักของพระบรมศาสดาฟังพระธรรมแล้วก็แทงตลอดมักผลทั้ง3ามขณะนั้น ต่อมาก็ฟังธรรมจากพุทธเจ้าเป็นครั้งที่สองที่ฟังพร้อมกับเศรษฐีก็เลยได้บรรลุเป็นป้านฐานี้ในข้อความในอัตฉกถาะกล่าวในลักษณะนี้แล้วก็ต่อมารับอาหารเลยรับไปฉันอาหารที่บ้านของเศรษฐีนางสุชาดาและภรรยาเก่าของยาศศักด์ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลในวันนั้นแล้วนางสุชาดากับหญิงสะพ้ายก็ดำรงอยู่ในเตวาจิกาสารณะก็คือถึงสารณะ3มนี่เป็นอย่างนี้นะ สรุปแล้วตรงนี้ก็อนุ ป, ปุพิกถาเดี๋ยวขยายนิดนึงเวลาจำกัดยังไม่ถึงเวลาทีนี้ขยายความในสารถาธิทีปณีดีการพระวินัยท่านขยายกันไว้ภาษาริบทมาเทลราชาสีรังกาเ้ยแผ่เรื่องทานคำว่าอนุ ป, ปุปพิกถาได้แก่ถ้อยคำตามลำดับก็คือ ศีลในระดับแห่งทานสวรรค์ในระดับแห่งศีลมรรคในระดับแห่งสวรรค์ในลำดาหแห่งอนุพิกถานั้นชื่อว่าทา น, นากรา น, นี่เป็นการพารณนาเรื่องทานคือการให้ก็มีวัตถุทานกเจจนาทานใช่ไหมท่านก็พารณนาบอกว่าได้แก่การประกอบด้วยคุณของทานมีอาที่อย่างนี้ว่าชื่อว่าทานเนี่ยเจตนาทานเวต้นอโลภาทานอโทสาทานเวต้ลเนี่ยมีทั้งวัตถุทานและมีทั้งเจตนาทานจิตทีท่คิดจะให้เป็นเหตุแห่งความสุขทั้งหลาย เป็นมูลเหตุแห่งสมบัติทั้งหลายด้วยเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งโภคาทั้งหลายเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นทางดําเนินฉะนั้นเป็นทางดําเนินก็คือเป็นข้อปฏิบัติเป็นที่หลบภัยด้วยนะการให้ทานเนี่ยเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าของคนผู้เดินไปในที่ปราศจากความสม่ําเสมอที่อาศัยที่ตั้งอารมณ์ที่ต้านทานที่เร้นด้วยเป็นที่ดําเนินด้วยที่เป็นไปในเบื้องหน้าที่เป็นไปกับทานในโลกนี้และโลกหน้าไม่มี ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐด้วยกันฐานนี่ประเสริฐแล้วจะไปหน้าที่ไหนๆก็จะไม่เดือดร้อนไปที่ต้านทานไปที่ป้องกันภัยเป็นต้นด้วยทานนี้เป็นเหมือนกับสิงหาสําเร็จด้วยรัตนะด้วยอัตว่าเป็นที่อาศัยเป็นเหมือนกับมหาปทีด้วยเป็นที่ประดิษฐานมหาปทีกับที่ประดิษฐานเป็นที่สร้างบ้านเรือนเป็นที่เดินเป็นที่ทํากิจกรรมต่างๆเป็นเหมือนกับเชือกสําหรับยึดเหนียวเป็นอารมณ์ด้วยยิงอยู่ทานนี่เป็นอะไร เ ป, นนาาเป็นนาวาเป็นนาวามืนเรือนี่แหละเพราะแต่ว่ารื้อถอนซึ่งทุกนั้นมนุษย์จะพ้นจากทุกไปต้นได้ก็อาศัยทานที่ถูกต้องนี่แหละเป็นผู้กล้าในสงครามด้วยถามว่าการให้ทานกับการลบเนี่ยมนเสมอกันเนี่ยคนเนี่ยสามารถสลากกิเลสในการให้ได้กับการเข้าไปรบก็กล้าสละกชีวิตได้มันเสมอกันนั่นแหละทานจริงๆนะ่ยสูงสุดจริงๆก็คือสลากกิเลสแล้วก็สลากขันเลยสละเนีย ด้วยอาจจะว่าปลอบใจได้ด้วยเป็นนาครที่จัดสรรดีแล้วเพราะอาจจะว่าเป็นที่ต้านทานผัดเป็นที่ต้านทานภัยทั้งหลายด้วยเป็นเหมือนเราเข้าไปอยู่ในพระนครไหนที่ปลอดภัยงั้นคนที่บําเพ็ญทานกุศลก็ไม่มีภัยแล้วมีแต่สิ่งดีๆทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นดอกปรทุมเพราะอาจจะว่าไม่ไปติดมณทินทั้งหลายมณทินก็คือความตนันนิหมายความว่าคนที่เข้าให้ทานได้ถูกต้องสละได้ถูกต้องเนี่ย มณฑินคือกิเลสคือราคะความกำหนัดโทสะความโกรธหรือความตะหนีทั้งหลายก็จะไม่แปดเบื้อนใจของคนให้เป็นไฟเพราะเผาผานความไม่เหลือซึ่งมนทินก็เผาความตะหนีทิ้งเ่ยทานกศุศลเนี่ยเป็นการเผาโรคความโลคทิ้งไปเผาความโกรธทิ้งไปเผาความตะหนีเป็นต้นทิ้งไปเป็นอสสารพิษด้วยเข้าใกล้ได้ยากหมายความว่าคนที่จะให้ทานระดับตัดกิเลสได้เนี่ยยากไหมยาก โดยมากก็ให้สักแต่ว่าให้นมีอยู่แต่จะสละ ก, กิเลสจริงๆจึงเหมือนเหมือนอสรพิษทีทานเนี่ยเข้าใกล้ได้ยากคนที่จะฝึกให้ได้จริงๆถึงยากไม่ใช่ง่ายเป็นสีหาด้วยนะว่าไม่มีความหวาดเสียวแต่ว่าคนที่ให้ทานแล้วเนี่ยนักเข้าเนเข้าใจจะมั่นคงจะไม่กลัวไม่กลัวภัยแต่ต้อง ต, งต้งไหนไหนไม่กลัวอันตรายด้วยคนกล้าให้กล้าสละเนี่ยเป็นช้างเพราะแต่ว่ามีกําลังแต่ว่าเมื่อให้มากมากๆใจมีกําลังไหมกล้าสละใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไหม ควักดวงตาให้เป็นทานยังมีเลยโอพรบริษัทมีอยู่ชาตินึงนะท่านก็ใช่ทานภายนอกไม่ไม่ชื่นไม่ชื่นฉ่ำใจเลยแต่าอย่างนี้นะเออท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอมีใครมาขอดวงตาเราเถอะเราอยากจะให้ดวงตาเป็นทานอยากจะควักตาให้เป็นทานสักทีว่างั้นนะเอมอมีวันนึงท่านก็ออกนอกราชราชอ า, ชาชนิเวศอขี่ช้างไปเออมีตถ่านตาบอดโงกเงินเงินมา โอ๊ยทรมานเหลือเกินบอกข้าพระเจ้าอยากได้ตาจ้างว่างนันนะเรียบม้อยใจอย่าพูดดังอย่าพูดดังเดี๋ยวคนอื่นได้ยินทําดีใจเลยนะเดีย๋ยวไปกลับไปที่โรงพยาบาลนะพรางั้นเดี๋ยวเราจะจัดการให้เรามีหมอที่หมอศิวการนี่เก่งมากสามารถผ่าตาัดเอาตาคนหนึ่งไปใสใต่ตาอีกคนหนึ่งได้รู้ไหมนะี่เขาไปไปเสร็จเข้าไปครับดียไปเรีย ก, ยกหมอมา แล้วก็เอาพานเอาตาตาพามนี้ไปตาพามตาบอดอย่งนี้ท่านขอข้างหนึ่งเราจะให้สองข้างเลยดูใจขนาด น, นั้นนะทีนี้ก็พอไปถึงงานกูบูปริเวณญาติรู้ข่าวมากันเต็มห้องประชมุมเลยมาขอร้องอยากให้เลยจะให้สมบัติให้ไรให้ไปจะให้เงินให้ท้องแต่พานนี้พามนี้เท่าไรให้ไปเถอะแต่อย่าให้ดวงตาเลยร้องให้คร่ำครวญท่านก็บอกว่า ท่านทั้งหลายถ้าเราพูดอะไรไปแล้วไม่ทําตามอย่างที่พูดนี่ถามบอกว่าสัจจะบา ร, รมีนี่เราก็วิบัติถสิบอกงั้นเถอะเอเราก็เป็นคนหลอกลวงดิเป็นคนโกหกสิบอกงั้นท่านอย่าทําให้เราลําบากเลยสรบคนเลยญาติญาติพากันสรบบอก อ, อหมอสิว่ากาเร็วๆเราอยากจะเห็นทานบา ร, รมีของเราทานอุปปบารมีของเราหมอก็ผสมยา แล้วคอยมมันยาที่หยอดเทเข้าไปตรงนี้มันจะไม่กัดมันเก่งมากหมอคนนี้ยแต่จะกัดเนื้อเข้าไปโบวหมดเลยปกติบอกโอทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าตากลิ้งๆงออกไม่ได้ออกไม่ได้เาะันเดทุกทรมานมากก็หมอเร็วเร็วรีบใส่ ย, ยาเข้าก็ยาหยอดเข้าไปอีกเทเข้าไปในเบ้าตา หลุดออกมาเลยตาหลุดออกมาแต่หลุดมานิดนหมอเขาบอกว่าเปลี่ยนใจไหมถ้าเปลี่ยนใจสามารถใส่ยาให้รักษาหายได้มาหูพูดอะไรนี่เราต้องการบาเพ็ญทานอุปบารมาีทานปร ม, มัตตบารมีเพราะงั้นเธอไว้ไว้รีบเร่งทําเขา้าก็หยอดเป็นครั้งที่สามปุ๊บหลุดออกมาเลยตาหลุดออกมาเลยจะมีขั้วมีเส้นเอ็น ท, ที่ที่นั่นลูกตาอยู่นะเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนอีอ เส้นเอ็นระโยงอยู่ก็บอกว่าเงี้ยยังรักษาได้อยู่นะอหมอศิวะกาบบอกว่างั้นถ้ากลับถ้ากลับใจนะถ้าจะไม่ให้เนี่ยไ ม, ม, ไ ม, ไม่เอาไม่เราตั้งใจที่จะให้ที น, นี้ก็เอาไอ้ตัดตัดเส้นเอ็นเนี่ยนะปุ๊บให้มาบอกเราอยากจะเห็นทานของเราท่านกลับใส่ที่มือใส่มือพอเห็นนะ่ะท่านข่มทศเวทนาได้ พิิปาโมทเกิดชื่นใจจับมือของตะพราห้์ให้หมอใส่ดูควาคิดขนาดนั้นนี่ไงนี่บมเพ็ญอย่างเงี้ยเนี่ย พ, พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยให้ตาเป็นทานเนี่ยมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าในสังสารวัฏที่ผ่านปวดจะได้มาซึสมมาสมวริยานยากไหมนี่ขนาดนั้นแล้วว่างั้นเถอะเป็นช้างด้วยมีกำลัง เป็นดุจโคผู้ผู้ที่เผือกผ่องด้วยได้รับความยกย่องว่าเป็นมงคล น, นันยิ่งเป็นพญาม้าวาลหกด้วยทําให้ถึงภูมิอันเป็นแดนเกษมก็หมายความรวดเร็วมากทานบา ร, รมีที่มีกำลังเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการได้พระนิพพานนะธรรมดาทานนี้เป็นทางที่เราได้ดำเนินมานี้เป็นวงของเราเมื่อเราบำเพ็ญบา ร, รมีสิบทัั้นได้ปฏิ ได้ปฏิบัติมหายานมากมายคือมหายานครั้งที่เป็นเวรามพรามหาญาณครั้งที่เป็นโกมหาโควินทพามหายานครั้งที่เป็นพระเจ้ามหาศาสนาเนี่ยหรือมหายานครั้งที่เป็นพระเจ้าเวสันดรเราเมื่อเป็นกระต่ายก็ยอมมอบตอนเองในกองไฟนี้ที่ลุกโชน <c oughs> เอาใจของยาจกผู้มาถึงแล้วทั้งหลายจิงอยู่ทานย่อมให้สมบัติของเท้าส ก, กัดทานเนี่ยทานบารมีนะเป็นปัจจัยต่อการได้มาสักกดสมบัติมาและสมบัติพรห ม, มสมบัติและจักรพัท ย่อมให้สาวกบารมีญาณปัจเจภริยานเนี้ยตลอดถึงสัมมาสัมพริยาณอย่างอื่นท่านไม่เอาเนีท่านปรารถนาสัมมาสัมพริยาณเนี่ท่านให้ชีวิตเป็นทานมาก็ไม่รู้กี่อัตภาพในการติกระทํำฉะนั้นการให้ไม่ใช่ธรรมดานะพวกเราจงฝึกให้กันให้เป็นมันไม่ใช่ว่าให้เฉพาะข้างนอกแต่มันหมายถึงการสละกิเลสข้างในด้วยมันต้งจะเป็นทานบารมีที่ถูกต้องนี้ด้วยพอเขาอ้าใจยังเป็นคนชอบให้ไหมบอก ชอบไหมชอบบนี่เป็นทานนี่เป็นทานกถาที่จริงถ้าภาณนาค่อนข้างจะเยอะศีลกถาถ้อยคํำภาณนาเรื่องศีลก็คือการประพฤติดีทางกายวาจาการเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจาเนี่ยเมื่อบุคคลเมื่อให้ทานย่อมสา ม, า, สมารถสมาทานศีลได้เห็นไหมถ้าคนให้ทานไม่เป็นศีลจะรักษาได้ไหมนัม้นเพราะเป็นการสละเป็นการให้เหมือนกัน แต่เป็นระดับมหาทานย่อมสามารถที่จะมาทานศีลเจริญศีลได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสศีลละกฐานในลําดับของทานพทุทธิจารจึงตัดทานก่อนแล้วก็มาตัดศีลต่อจากลําดับของทานนั้นก็ต้องการขับเน้นว่าฝึกในการให้ทานได้แล้วก็จะสามารถเจริญศีลได้ทานเป็นการบริจาคสิ่งอันเป็นของของตนด้วยอัธยาศัยเกื้อกูลหรือด้วยอัธยาศัยการบูชาเนะีในทักขิณาญบุคคลทั้งหลายแก่คนเหล่าอื่นเพราะเหตุ น, นั้นพูด ผู้ให้จึงเป็นบุรุษบุคคลผู้มีอัธยาศัยเกื้อกูลโดยส่วนเดียวในสัตว์ทั้งหลายข้อที่ว่าจะฆ่าสัตว์อื่นหรือจะรักของคนอื่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะเหตุ น, นั้นบุคคลผู้ให้ทานย่อมสา ม, มารถสมาทานศีลได้ย่อมสา ม, มารถเจริญศีลได้เพราะการที่เราให้ทานเราก็ต้องการเกื้อกูลคนอื่นอย่มะเกื้อกูลให้เขามีชีวิตเกื้อกูลให้เขามีสมบัติเป็นต้นเหล่าเนี้เกื้อกูลเพื่อให้เขานมี พลรงกำลังในการดูแลบุตรภรรยาเป็นต้นเหล่าเนี้ฉะนั้นคนที่ให้ทานได้อย่างถึงเข้าถึงรากลึกในจิตใจแล้วเท่านั้นแหละจึงจะสามารถพัฒนาไปสู่ศีลได้จึงจึงจะสามารถสมาทานศีลทำกุศลศีลให้มีกำลังได้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องทานและกุศลไม่สามารถที่เดินศีลกุศลได้หรอกอย่างนี้เป็นตน้นพอมองเห็นใช่ไหมพราะทานเป็นการเกือ้อกูลคนอื่นจริงๆเนี่ยเราเห็นเจ้าแชมป์ก็หิวฝัราะั้นเธอะ ถ้าไม่ได้กินอาหารก็จะตายอย่างเงี้ยเราจึงให้เขาเห็นเขาไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นเขาเดือดร้อนเราให้เนี่ยเป็นต้นแล้วต้องการให้เขาเนี่ยมีความสุขในครอบครัวเนี่ยฉะนั้นมันจึงไปเกื้อกูลต่อการที่ให้ชีวิตเป็นทานหรือไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขาไม่ภาบุตรภรรยายของเขาให้คําสัตว์เป็นต้นไม่ทําตนเองเนี่ยไม่เอาของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิตตนเองไปเหยียดคนอื่นต้องหวานระแวง ฉะนั้นคนที่ให้ทานไม่เป็นเดินศีลไม่ได้ต้องให้ทานที่เป็นเท่านั้นจึงเห็นประโยชน์ของศีลและต้องเห็นประโยชน์ของทานกุศลศีลกุศล ม, มันถึงจะเดินได้อย่างนี้เป็นต้นนั้นจึงไม่ใช่ฐานะที่มีได้ถ้าหากว่าให้ทานไม่เป็นเพราะเหตุ น, นั้นบุคคลผู้ให้ทานย่อมสา ม, มารถสมาทานศีลได้ฉะนั้นจึงตัดศีลในระดับแห่งทานอีกประการหนึ่งทานทา น, นากถาตรัสไว้ในแต่ตอนต้นเพราะเป็นสัพพสาธารณะโดยประการประพฤติให้ชนหมู่มาก แล้วก็เป็นการกระทําที่ง่ายทานในการทําง่ายกว่าศีลเพราะเป็นอุบายแห่งการประดิษฐานในศีลก่อนด้วยว่าบุคคลผู้มีการบริจาคโดยปกติย่อมสมาทานศีลได้ง่ายทีเดียวลองให้เป็นปกติลองให้ทุกวันดูนะจะเป็นคนที่รักศีลเพราะความเป็นผู้ไม่มีความติดขัดอยู่ในวัตถุที่หวงแหนอูเห็นอะไรก็ไม่หวงแหนก็จะรักษาศีลได้ใช่ไหมเห็นอะไรก็น้อมอยากจะให้คนอื่นและย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ดีในศีลเหล่านั้น เพราะการตัดอนุเคราะห์บุคคลอื่นด้วยความบริสุทธิ์แห่งทายกและปฏิขายกนี่แหละแล้วจึงตรัดการห้ามการเบียดเบียนบุคคลอื่นและตรัสธรรมะคือการกระทําและจึงตรัดธรรมะคือการไม่กระทําและตัดเทศแห่งโภค่าสมบัติและยศสมบัติเป็นต้นและจึงตัดเทศแห่งภาวะสมบัติ ด, ด้วยศีลยึงตัดศีลลัานในระดับแห่งทานานี้เป็นต้นขึ้นชื่อว่าศีลเนี่ยได้แก่ถ้อยคําที่เกี่ยวกับคุณของศีลมีอาที่ว่าธรรมดาศีลนั้นเป็นที่อาศัย เป็นที่เป็นพี่ที่พิ่งพิงศีลก็เป็นสาระน่าอีกหนึ่งเป็นธรรมังสารนังกฉันเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เป็นที่ต้านทานภัยทั้งหลายเป็นที่เร้นเป็นที่หล่อมเป็นทางดําเนินด้วยเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าศีลนี่เป็นวงของเราคือวงของพระเจ้านั่นแหละเราได้บะเพ็ศีลบารมีในอัธภาพไม่มีที่สุดในการที่เป็นพยาสังฆปารากาลาชในการที่เป็นพยาภูริทัศนาคาลาชในการที่เป็นพยาจําเปยยกะนาคราชในการที่เป็นพยาช้าง สีรหัสลายเป็นต้นในการที่เป็นพญาช้างมาตุอุโบสถหัดถีในการที่เป็นพญาช้างฉัดทันก็ใสเช่นกระสีเนี่ยแห่งสมบัติในโลกนี้และโลกหน้าเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เป็นที่ต้านตาเป็นที่เล่นเป็นที่ดําเนินเป็นไปในเบื้องหน้าเช่นกระสีไม่มีเลยเป็นเครื่องอลังการละเป็นเครื่องประดับด้วยนะดอกไม้เช่นดอกไม้ คือศีลก็ไม่มีดอกไม้ใดที่งดแก่สวยงามเท่ากับศีลไม่มีกลิ่นใดจะหอมหวนเท่ากัศีลแม้ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นตัวเหล่านี้เป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องอลังการลา ด, ด้วยเออให้มีอยู่ชาติหนึ่งตอนนั้นพระโพธิสัตว์ท่านเป็นพญานาคตอนนั้นท่านอยู่ในเมืองของพญานาคก็รักถึงวันอบโชสวศีลท่านก็รักษาได้ไม่ค่อยดีมีนางนาคอยมารบกวนอยู่เรื่อยเลยใช่ไหม มีอยู่วันหนึ่งก็คือท่านก็เลยมาในโลกมนุษย์ที่แหละเห็นจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งท่านก็เลยไปขดนี่นะพอสมาทานบัวสด ส, สีก็ไปขดอยู่จอมปลวกจอมปลวกใหญ่ๆเงี้ยเนี่ยโตขึ้นอย่างนี้เนี่ยท่านก็ไปขดพยานาคเลยก็ไปขดรอบขอาจอมปลวกแล้วก็หลับสมาทานตั้งมั่นในสีทําปราโมทวีตีให้เกิดอยู่ <S <S ที่มีในทานคนเหนือไปเรียนวิชามาวิชาจับงูใหญ่เนี่ยมีวิชานี้ เดินเดิ น, เ ด, นเดินมามันเห็นอู้เห็นงูใหญ่มีงอนมัน้ยมันน่าจะลองวิชาไปหน่อยแล้วร้องวิชาหน่อยมันก็ไล่มนพอท่องคาถาป๊๊บป๊อบใช้มนเนี่ยด้วยความขลังของมนี่เจ้านี้ที่เรียนมาไอเจ้าพานคนเนี้ยก็เหมือนกับไอ้ลูกศอนวิ่งเสียบที่รูหูเสียบรูหูของยานาคเนี่ยปึ๊บก็ไ ป, ปจะปวดดิ้น นึกในใจเราโกรธเนี่ยนึกก็ชูคอดูโอ้โหเห็นมนุษย์ถ้าพญานาคถลึงตามองว่าไฟจะไหม้จะนี่ตายเลยเนี่ยถ้าโกรธแค่นั้นแหละแต่ทนี้ไม่ได้เราโกรธไม่ได้ศีลเราจะขาดเพราะเราสมารานในบสวดศีลท่านก็เลยหลับตาแล้วก็เอาหัวไม่ดูดีกว่ามุดมุดเข้าไปในหนดหลอบอยู่เนี่ยพระเจ้าในพานนี้เดินเดินเดินด้ามา เดินเข้ามาล้วงไปจับคอจับคองูแล้วก็เอายาเคี้ยวยายาที่เป็นยาพิษนะเคียวเคี้วเคียวเคีย ว, ย ว, ยวบีบคองูให้ปากอ้าลงบ้วนใส่คายาบ้วนใส่ในปากของพญานาคฟันพญานาคหลุดหมดเลยมันกัดคาคาถาคมมือนี่แรงกั น, นะเนี่ย ฟันของพย า, ยานาหลุดเลือดกระจายท่านก็พยายามขม่มไม่ให้โกรธไม่ให้โกรธถ้าโกรธขึ้นมาเดี๋ยวไอ้เจ้านี้ถึงตามองอยูน่นตายเลยแล้วเบ็ดเสร็จก็ไม่พอแค่นั้นนะเอาเหล็กแหลมแทงแล้วก็เชือกมัดเชือกมัดร้อยนะแทงจมูกแทงเลยเอาเชือกร้อยร้อยก็ลาบถุลู่ทุกังเลยนี่ทาอะไรไม่โกรธนี่เห็นไหมเพราะลักเสีย เะนั้นพวกเราเนี่ยถ้าเราเกิดจะโกรธขึ้นมาจะหงุดหงิดขึ้นมาก็ให้นึกถึงกุศลศีลนี่ศีลมีสำคัญกว่าแล้วท่านก็คิดตลอดนะว่าถ้าเราตัดสู้แล้วจะทําให้จะให้คนประตูสลายเราเนี่ยตัดสู้ด้วยอยีก น, นี่นี่เป็นเรื่องของบารมีท่า น, นวันนี้ก็เลยพูดหลายเรื่องนี่หนึ่งพูดเรื่องภาษารีบุตรสองก็มาพูดในเรื่องของการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเรื่องการที่พระพุทธเจ้าเที่สรุปลงใน ที่สุดสองทางที่ไม่ควรดําเนินและพูดเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาพูดถึงเรื่องของท่านพยาศาตร์กุรบุตรพูดถึงในเรื่องของพ่อและแม่ของยาศสัก์กุระบุตรนางสุชาดาเป็นต้นนะแล้วก็พูดเรื่องการบรรลุธรรมของท่านทวานารักกาแล้วก็มาสรุปลงในฐานศีลยังไม่จบเรื่องสวรรค์สัคฆาคถากามาทีนว่าคถ า, าในี่ยคำมันนียึสังฆาคาถาก็จะค่อยๆไล่ไปในนุบุพพิคทาเป็นไปตามเอาช่วงก่อนเจาเวลา ก็หมดแล้ว